วันนี้ใครมีขุนคลังมาเตือนบ้างขุนะคลังเตือนบ้างหรือเปล่าวันนี้เตือนเช้ามาขุนคลังบอกเลยนะท่านมีอริยทรัพย์คือศรัทธาท่านไม่ใช่คนจนนะว่าไงท่านมีทรัพย์คือศรัทธาว่าไงมีทรัพย์คือมีริโอต ป, ปะนะมีทรัพย์คือศีนมีทรัพย์คือสุตตะ มีซัพย์คือจาคะและก็มีทซั์คือปัญญาอันสตินี่เป็นเหมือนกับขุนคะลังเนยนะของใครสติเกิดขึ้นเตือนบ้างนะออนี่ซับของท่านนะอันนี้ก็ทรัพย์ของท่านนะใครที่สามารถระลึกได้บ่อยๆคนนั้นก็จะสามารถรักษาอาริยทซัพย์ไม่ได้เพราะว่าสตินั้นไม่เป็นจำเพาะขุนคลังอย่างเดียวใช่ไหมยังเป็นเหมือนกับปรินายกแก้วว่างั้น ที่คอยกำจัดนะรู้เลยว่าเออสิ่งนี้ไม่ใช่ทรัพย์เนี่ยนะนายกเขาจะบอกเลยปรินายกเนี่ยนะจะบอกเออเรียบกำจัดนะทำไมกำจัดมีโทษเออนี่เป็นทรัพย์นะควรพอกพูนควรทำให้มากว่าั้นอันนั้นเป็นกิจของปรินายกรวังสตินั่นเองอันสติจะทำกิจทั้งทั้งสองอย่างเลยนะเป็นทั้งผู้ที่คอยให้ระลึกถึงอริยทรัพย์ของเราทั้งหลาย ใครที่สามารถระลึกถึงอริยรัพย์ได้บ่อยๆคนนั้นก็เจริญธรรมเจริญกุศลธรรมได้บ่อยๆดังนะั้นการเจริญกุศลเนี่ยต้องให้กุศลหนาแน่นพอสมควรจึงจะรองรับคุณธรรมอื่นๆไดนะ้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถฝึกเจริญกุศลเนี่ยนะอุปนิสัยในการจะเกิดขึ้นของกุศลก็ค่อนข้างยากนะต้องพยายามหมั่นสมาทานอธิษฐานนะ ทั้งสมาทานทั้งอธิษฐานทั้งตรารบเนี่ยนะหาเหตุหาปัจจัยว่างั้นะของเราสมาทานให้แผ่นดินไหวได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ก็ฝึกบ่อยๆเนี่ยนะสมาทานบ่อยๆ ย, ยกดูตัวอย่างนะว่าอิทธิพลของการสมาทานมีความสำคัญมากเลยเช่นออวันนี้วันอุโบสถนะสมาทานศีลเลยเพราะวันนั้นเนี่ยออในศีลแปดข้อเราไม่ร่วงเลย นี่อิทธิพลของความการสมาทานไม่ใม่คนที่สมาทานที่จะเจริญกุศลเนี่ยบางทีดูยากนะเอ๊จะทำได้เลยเนี่ยนะอย่างสมาทานการใช้วาจาเหมือนกันถ้าเราสมาทานแล้วเราทำไม่ได้แรกๆเนี่ยนะสมาทานจะใช้สัมมาวาจานะต้นๆใช้ไม่ได้ทำไม่ได้แต่พอเราพูดเอนี่ไม่ใช่สัมมาวาจานี่พอรู้ว่าเอ๊ ที่คำที่เราใช้ไม่ใช่สัมมาวาจาจะเดือดร้อนใจเขาบอกว่าความเดือดร้อนใจจะเกิดกับคนมีหิริโอตตะปะเท่านั้นไม่เกิดกับคนชั่วก็ว่างาั้นความเดือดร้อนใจเนี่ยนะั้นความเดือดร้อนใจอันนั้นเกิดขึ้นมาก็จะว่าดีก็ดีคือที่ว่าดีก็คือหมายความว่าให้เราจะได้อธิษฐานอย่างมั่นคงว่าจะไม่ให้วิธีการหรือไอพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอกีก ก็สมาทานตอกย้าบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆครั้งถ้าบ่อยได้เท่าไหรกุศลธรรมก็จะหนาแน่นขึ้นอย่างกุศลศีลเนี่ยนะถ้าหากว่าเราเกิดการสมาทานบ่อยๆกุศลศีลก็จะมั่นคงได้บ่อยได้มากแต่ถ้าไม่ปราลบไม่คิดถึงเลยเนี่ยนะไม่เคยตรวจสอบเลยถ้าอย่างนี้ก็แมกุศลศีลก็อ่อนเลือเกินเหนกนถ้ากุศลศีลอ่อน ตามที่เหลือตามมาก็จะอ่อนมากเว้นเว้นแต่ว่าเขาได้กัลยาณมิตรที่ดีกัลยาณมิตรนี้คอยคอยตักเตือนเหมือนกันเถอะเป็นคนที่ประมาทแต่ก็มีคนคอยบอกคอยตักเตือนคอยแนะนำเนี่ยนะก็เหมือนกับนึกถึงการ บางทีก็ลืมกระเป๋าบ่อยก็งั้นมีคนคอยเตือนอ่าลืมนะนะคือถ้าเตือนบ่อยๆเนี่ยนะก็ซับก็จะเกิดได้สามารถที่จะบริหารซับได้อันนั้นก็คือลักษณะอย่างหนึ่งของกลยานามิตรดัง น, นั้นคนที่มีกลยานามิตรสามารถจับสรมสิ่งแวดล้อมได้ก็จะช่วยเตือนได้เยอะแต่สมัยนี้เราก็มีเครื่องที่จะช่วยเตือนสติเราได้ตั้งหลายอย่างยากตัวอย่างนะอย่างพระสูตรก็ช่วยได้ แล้วก็พยายามรู้จักชื่อสูตรหน่อยว่าช่วงนี้เนี่ยจิตเราเป็นอย่างนี้ควรจะอ่านพระสูตรแนวไหนช่วงนี้ใจเราเป็นอย่างนี้ควรจะฟังเทปประเภทใดเนี่ยนะก็ได้เตือนเตือนสติเราได้ถ้าช่วงนี้เนี่ยสภาพจิตเราเป็นอย่างนี้ควรคุยกับใครถ้าจิตเป็นแบบนี้ควรตึกเรื่องอะไรจะต้องรู้รู้จังหวะของความคิดเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่รู้เวลาไม่รู้จังหวะของความคิดเราไม่สา ม, มารถบริหารความคิดได้ เมื่อบริหารความคิดไม่ได้ก็บริหารเวลาไม่ได้บริหารอย่างอื่นต่อไปไม่ได้ h ัน c ชีวิตของการประพฤติธรรมก็เป็นไปไม่ได้ h ัน c ชีวิตของการประพฤติธรรมนั้นถ้าหากว่าประพฤติให้บริบูรณ์ก็นับว่าเป็นของที่ทำยากแต่ของยากยากถ้าประพฤติสำเร็จละ่ะก็ให้ผลดีมากมายมหาศาลแต่ถ้าของง่ายๆเอาไหมเอาไมอยากได้ของง่ายๆ ถ้าของง่ายก็ก็ไม่น่าเรียกว่าทรับเนี่ยนะถ้าของง่ายง่ายก็ไม่น่าจะเรียกว่าทรัพย์อะไรเพราะซับเนี่ยอย่างแก้แวแหวนเงินทองภายนอกเนี่ยก็อาบเหงื่อต่างน้ำทั้งนั้นแหละเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบขาดเหมือนกันกว่าจะเกิดขึ้นนะโลกิยารับเนี่ยน ะ, ะไม่ใช่โลกิายาซับไอ้แก้แวแหวนเงินทองทั้งทั้งที่สิ่งนั้นคือมหาพูทธรูปเท่านั้นเองเนี่ยการโชว์ให้ดูว่าเออเนี่ยตัวดีนักลงเงิน <laughs> จริงก็มหารูปเท่านั้นเอง มหาพุทธรูปนั้นมีอิทธิพลต่อความนึกคิดอย่างมากมายมหาศาลมหาพูทธรูปเหล่านั้นกว่าจะเกิดขึ้นไม่ใช่ของง่ายพระผู้มีพระภาคใช้สำนวนว่ากลบุตรเพียนพยายามอาบเหงื่อต่างน้ำฝ่าจะได้มาว่างาั้นอันนั้นคืออริยโลกิยัพย์หรือว่าวัตถุที่เป็นรัพ์แล้วซัพ์เหล่านี้ก็ใช้ได้เป็นช่วงใช้ได้เฉพาะการเท่านั้นเองแต่อริยรับเนี่ย อย่าลืมว่าอริยทรัพย์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะชวนาดวงที่หนึ่งเนี่ยทนะถ้าใครสามารถคิดให้เป็นกุศลได้บ่อยๆเนี่ยนะนชีวิตในส่วนหนึ่งก็จะผาสุขด้วยเนี่ยนะเพราะทำเหตุแห่งความสุขของภพนี้ไว้ด้วยถ้าคนที่สามารถทำความคิดให้เป็นกุศลถึงกับมีกำลังมากที่ถ้าทำก็จะดีอย่างทันตาเห็นเหมือนกันเนี่ยน ะ, ะถ้าหากว่าอุปชา t h i ก็ดีอยู่แล้วแล้วก็อภ ร, ราปริย เวทนิยธรรมก็จะดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกคิดให้เป็นกุศลได้บ่อยๆมากๆแต่ทีนี้ถ้าเรากุศลละจิตไม่ค่อยเกิดเนี่ยนะพอมาเนี่ยใช้วิธีถามว่านี่จะสร้างเวรสร้างกรรมให้ตัวเองไปถึงไหนอย่างนั้นเนี่ยนะผูกพยาบาทตัวเองมานักหรือา ง, งที่จะต้องไปคิดให้มันเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยนะเอออกุศลนี่ใครรับอ่างนั้นกัเรานั่นแหละ เอ๊ะจองเวรจองผูกพยาบาทว่าฉันเกิดมาชาตินี้นะฉันจะหาเหตุแห่งความทุกข์ให้แกมากมากเลยนะฉันจะอะไรก็ได้ที่มันเป็นบาปจะรีบทําเลยนะจะทําให้มากมากเอสมาทานแบบนั้นก็ไม่เคยสมาทานซักอย่างแล้วทําไมจึงจะไปยินดีในสภาพจิตอันนั้นลนะ่ะที่จริงของที่มีอยู่ในโลกเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นของเขานั่นแหละเขาก็เป็นอย่างนี้มานมานานแล้วแต่เมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้อง เราก็ไปขอส่วนบาปมาด้วยนะอย่างสีเขาก็เป็นอย่างนั้นของสีเสียงก็เป็นอย่างนั้นของเสียงกลิ่นก็เป็นอย่างนั้นของกลิ่นเขาก็เป็นธรรมชาติของเขามานานแล้วแต่จิตของเราเมื่อไปรับรู้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะฝึกฝนเนี่ยให้เป็นกุศลได้ก็ลำบากแต่ว่าการฝึกฝนที่จิตจะให้เป็นไปกับกุศลในง่ายที่สุดเนี่ยนะเราเนี่ยอย่าลืมว่าเราศิษย์มีาจารย์ใช่ เรามีศิสภาวูปคัมมะนะเรามีอาจารย์เนี่ยใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์ของเราพระรัตนตรัยเป็นอาจารย์ของเราอาจารย์ของเราแนะนําว่าอย่างไรบ้างในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นถ้านึกถึงคําของอาจารย์ได้ก็ไปดีแน่แต่พระพุทธเจ้านะเนี่ยนะเพราะศิสภาวูปคัมมะขอถึงความเป็นสิทธิ์ของท่านใช่ไหมหรือว่าขอนอบน้อมท่านเนี่ยเนี่ยถ้าเรามีจิตนอบน้อมพระรัตนตรัยได้บ่อยๆ ใจก็จะไปได้ดีเห็นไพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหรันต์พระอรหันต์มั้มีความหมายว่ า, างไงเมื่อกี้สวดมนต์เนี่ยอรหันส์มาพุทโธพระกวาอรหันหมายค ว, าว่าไงทรูรุ่งอรหรันอ่ะได้สักข้อกอย่างนี้นะไกลาจากกิเลสนะคนอื่นนะได้คนนะคละข้อกัอย่างนี้นะอะหนึ่งไกลาจากกิเลสสอง่ากำจัดอ่าหักซีกรรมแห่งสังสารวัฏอะไรอี หักซีกรรมแห่งสังสารวัชร์เลยนะโอ้โหหักบุญหักบาปหมดเลยคําว่าซี่กรรมแห่งสังสารวัชรก็คือสภาพที่เป็นบุญเป็นบาปพระอรหันต์เห็นแล้วไม่เป็นบุญเป็นบาปอ่ะเนี่ยนะจิตของท่านไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเพราะท่านหักความเป็นบุญเป็นบาปได้หมดแล้วเนี่ยนะคืออรหันตมรรคของท่านเกิดขึ้นหักความเป็นบุญเป็นบาปได้หมดเลยเนี่ยนะแล้วพระอรหันต์เนี่ยกำจัดข่าศึกคือกิเลสเนี่ยนะที่เป็นศัตรูเป็นภายใน ค่าศึกภายในอันตรายภายในเนี่ยนะสิ่งที่มีโทษในภายในพระอรหันเนี่ยกำจัดโทษเหล่านั้นได้แล้วนะถ้าหากว่าเหมือนกับคนไข้เนี่ยนะคนไข้ที่เกิดจากพิษเนี่ยพระอรหันเนี่ยท่านกําจัดพิษอันนั้นได้หมดแล้วเพรา ะ, ะนั้นใจของท่านไม่มีพิษใดๆเกิดในนั้นเลยไม่มีฝุ่นละอองทุลีไปแปดเปื้อนให้จิตของท่านขุนมัวเลยนะพระอรหันเป็นผู้ที่ควรบูชานะ ควรบูชาเมื่อกี้เราก็บูชาท่านใช่ไหมอรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวะนะพุทธ้งพะคะวันตังอภิวาเทมิอภิวาตก็คือการกราบไหว้ขอกราบขอไหว้ขอเคารพนบนอ บ, นอบเอาหมดอะบางงั้นแต่เพระฉั้นท่านเป็นผู้ที่ควรบูชาแล้วต่อไปเขาบอกว่าท่านเป็นผู้ที่ควรแก่ปัจจัยสี่ควรแก่สักการะเป็นต้นนะควรแก่การบูชาอีกข้อหนึ่งพระอรหันต์ไม่มีบาปในที่รับ หรือไม่มีสถานที่ที่รับให้ท่านทําบาปเพราะท่านไม่มีบาปอยู่แล้วนะนะเพราะฉะนั้นคนที่มีชื่อเสียงส่วนหนึ่งเนี่ยนะไม่กล้าไม่กล้าทำบาปเพราะกลัวเสียชื่อเสียงใช่หหรือแอบไปทำในที่ลับเดี๋ยวเสียชื่อเสียงพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นจะอยู่ที่ใดใจของพระ อ, องค์ก็เป็นมหากิริยาเสมอเนี่ยนะนะอยู่ที่ใดใจก็เป็นมหากริยาแม้แต่ตาคาคดสาญาต พระองค์นอนเนี่ยนะนอนด้วยอะไรรู้ไหมนอนด้วยชานสีพระพุทธเจ้านี่สายญาติการนอนของพระพุทธเจ้านอนด้วยชานสีนี่นะเองตัวลงก็เข้าชานสีเลยนะมีความสุขจริงๆนะเพราะพระองค์นี้เป็นวิชาจารณะสัมปันโนเพราะนั่นไอ้ชานสีก็เป็นจารณะอย่างหนึ่งของพระองค์นี่นะแล้วเราก็เจริญพุทธคุณได้บ่อยๆธรรมคุณก็จะชัดเจนมากขึ้น เมื่อธรรมคุณชัดเจนสังฆคุณก็จะเกิดมากขึ้นเมื่อพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยนะภารตัตนตรายก็จะคอยปกป้องคุ้มครองเราของเรานี้อยากให้พระรัตนตรายคุ้มครองร่างกายมากกว่านะใช่ไหมอยากให้พระรัตนตรายคุ้มครองตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่หัวจดเท้านั่นแหละไม่เจ็บไม่ป่วยเอาละต้องการมากอยากให้พระรตนตรายคุ้มครองกายใจก็ไปทําบาปต่อไปก็ไม่เป็นไรเหมนแต่ว่าเมื่อไหร่นะ ที่จะเออเอาพระรัตนตรัยเป็นเครื่องคุ้มครองใจว่างั้นเพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลคุ้มครองใจก็จะคุ้มครองวาจาด้วยจะคุ้มครองกายด้วยเนี่ยนะแล้วก็กายวาจาใจนั่นแหละเป็นกรรมเมื่อบุคคลทำกรรมที่ดีกรรมเหล่านั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ชั้นต้นเลยนะทำยังไงนะจะเอาพระรัตนตรัยคุ้มครองใจเนี่ยนะคุ้มครองใจได้แต่ก็ต้องมีใจกับพระรัตนตรัยก่อนนะ เราต้องมีใจไปหาท่านให้ท่านมีใจมาหาเราเนี่ยนะท่านเจริญกรุณาให้เราอย่างเดียวโอ้สัตว์โลกนี้ทุกหนท่านท่านท่านมีใจมาหาเราเหมือนกันแต่ท่านเจริญกรุณาให้เลยโอ้สัตว์โลกนี่เป็นไปตามอำนาจของทุกเหมือนั้นโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของปัญหาโลกนี้อัญชราญนำไปไม่ยั่งยืนเหมือนกันท่านก็จะเจริญกรุณาให้เราอย่างเดียวนอะมันใจที่เป็นมหากุศลของเราต้องน้อมไปหาท่าน ถ้าเราน้องไปหาท่านบ่อยๆเนี่ยนะใจของเราก็จะมีกําลังมากขึ้นอันนี้กําลังอันนี้คือกําลังคือศรัทธาเนี่ยนะใจของเราก็จะมีกําลังคือศรัทธาเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วศรัทธานั้นเป็นทั้งทรัพย์ด้วยนะขณะเดียวกันศรัทธาเป็นทั้งรัพย์ด้วยเป็นทั้งกําลังใจของเราด้วยเนี่ยนะเมื่อเป็นทั้งทซั์เป็นทั้งกําลังด้วยเนี่ยนะโอ้ต่อไปเราก็ไม่ใช่เป็นคนทุคตะแข็งใจแล้ว พอมีทรัพย์คือศ nella, รัทธาเมื่อมีทรัพย์คือศรัทธาเนี่ยนะพระรัตนตรัยจะบอกเราหมดเลยว่า mm. เออเธอควรทําอย่างนี้นะเนี่ยนะขอให้มีซัก์ก่อนนะคนมีทรัพย์สามารถใช้จ่ายอะไรก็ได้คนที่มีศรัทธาคือทรัพย์ที่มีใจกับพระรัตนตรยัยแล้วก็พระรัตนตรัยจะคอยบอก mm. บ่อยๆเนี่ยนะเมื่อคอยบอกบ่อยๆเราก็สามารถที่จะคุ้มครองใจได้ Erfolg คุ้มครองใจได้ก็ ผู้ที่สังวรสัมรวมใจได้ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมาว่านเนนะพ้นจากบ่วงแห่งผู้ฆ่ามาระผู้ฆ่าผู้ทำลายนี่ยนะผู้เป็นเผาพัน์แห่งทำดำําเนะันเราก็จะข้ามพ้นจากบ่วงเหล่านั้นได้เอาพระธรรไตรัยปกป้องคุ้มครองใจนะแล้วทีนี้ครั้งที่แล้วเราก็กล่าวถึงเรื่องของการเจริญเมตตาเนีนะ่จนถึง ขั้นชานไปแล้วละ่ะแต่ว่าถามเรื่องปัจเจกแล้วก็สอบตกกันครึ่งห้องเลยปัจเจกบ้างหรื อ, อยังเงียบหมดเลยแสดงว่ายัางสอบไม่ผ่านเลยเาะจะตุะตุปปริสุทิศีนเนี่ยไม่ได้นะถ้าไปเจริญชานรับรองรักษาชานไม่ได้แน่คล้ายๆกับว่าคุณสมบัติไม่พอที่จะเอาทรัพย์อย่างสูงสุดระดับชานไปได้แบบนั้นถามว่าเพราะอะไร เพราะว่าบริหารไม่เป็นเลยกันไหมคือถ้ากุศลศีลเราอ่อนนะอย่างไรก็บริหารฌานไม่ได้เพราะว่าคนที่ได้ฌานนี้แสดงว่าศีลบริบูรณ์เมื่อศีลบริบูรณ์เขาจึงจะรักษาฌานไว้ได้ถ้าศีลเราไม่บริบูรณ์ได้ฌานไปนะแล้วก็ศีลเนี่ยรัว่วถ้าศีลรั่วแล้วก็รักษามไม่ได้แล้วพูดถึงจาจรตูปริสุทธศีนี่นะฮะข้อแรกก็คือ ปาิโมคสังวรศีนเนี่ยนะก็เป็นเรื่องใหญ่นะเจนพแล้วก็อินเซียสังวรศีนก็เป็นเรื่องใหญ่นะเจนพแต่ผมดูศีนอีกสองข้อดูแล้วคล้ายๆว่าเราเห็นความสำคัญไม่มากนะเจนพออกมาสังเกตอย่างนั้นเหมือนกันสังเกตว่าไม่มีใครพูดถึงคืออาชีวะเนี่ยนะเราก็ปราบกันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าข้อไอปาจยาสารนิสิตศีนเนี่ยอ่อนกันมาก ราปัจจยาศานิศสิตศีลเนี่ยนะถ้าปัจจยาศานิศสิตศีลอ่อนเป็นปัจจัยให้ปาติโมขสังวรเนี่ยล่วงง่ายอินทรีสังวรก็เสียหายง่ายนะเพราะว่าปัจจยาศานิศสิตศีลเป็นเรื่องของปัญญาอย่างเดียวปัญญาที่เข้าไปพิจารณาชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับปัจจัยสีเท่านั้นแหละใช่ไหมก็เกี่ยวข้องกับเครื่องแต่งตัวเรียกว่าผ้าเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเกี่ยวข้องกับอาหารการรับประทานตากท้อง แล้ก็เกี่ยวข้องกับอยู่ยาชีวิตก็เกี่ยวข้องหรือเท่านั้นเองถ้าปัจจัย4ีเนี่ยนะที่เราเกี่ยวข้องถ้าสามารถพิจารณาได้บ่อยๆเนี่ยนะจะเป็นปัจจัยให้เอ็นซีสังวรก็ดีขึ้น น, นะเพราะว่าถ้าพิจารณาปัจจัยสารนิสิตศีลถ้าพิจารณาอาหารบ่อยๆเราก็จะรับประทานอาหารที่ที่ควรรับประทานรับประทานอาหารที่หนึ่งอาหารก็ไม่มีโทษใจเราก็ไม่เป็นโทษ ด, ด้วยนะเมื่ออาหารไม่มีโทษใจไม่เป็นโทษ แล้วก็ไปไประหยัดเรื่องอื่นๆนี่มากเนี่ยนะเราก็ไปช่วยเหลื อ, อคุ้มครองด้านอื่นๆเช่นถ้าหากว่าเราไม่ปัจเจกไม่พิจรนารณาในเรื่องของการรับประทานอาหารเป็นปัจจัยให้ป่วยไขย้ถ้าป่วยไข้แล้วมันไปพาอย่างอื่นรวนเปหมดเลยนะถ้าเจ็บป่วยซะอย่างเดียวเนี่ยทำให้กุศลธรรมด้านนึงๆเนี่ยเสียหายทําให้อินทรีย์สังวรเป็นต้นอย่างอื่นก็เสียหายไปด้วยเพราะคนป่วยเนี่ยนะถ้าเตือนๆอยู่ยังให้กุศลจิตไม่ค่อยเกิดนะ ไม่เจ็บไม่ไข้เลยกุศลจิตไม่ค่อยเกิดเนี่ยงั้นอย่าคิดว่าป่วยแล้วกุศลจิตจะเกิดง่ายเพราะอะไรเพราะปฏิฆานิมิตเกิดตลอดทุกากายวิญญาณเป็นต้นเป็นปฏิฆานิมิตเป็นอ่าเป็นปัจจัยแก่ปฏิฆานุสัยง่ายมากเลยนะขอให้เป็นอกุศลวิบากอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเป็นเหตุใกล้ให้โทสะเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราเป็นเป็น สุขภาพดีๆอย่างนี้ถ้าไม่ฝึกเจริญกุศลบ่อยๆถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาแล้วก็กลำบากเหมือนกันเพรา ะ, ะนั้นเราก็ต้องมันพิจารณาปัจจัยสี่นี้ให้มากๆหน่อยนะถ้าพิจารณาได้มากแล้วก็สบายไปเยอะแล้ะเอาได้ยังเมื่อกี้ปัจเจเวก่อนนะนะ ข้อความในมคธเทวสูตรมัชิมนิกายมัชิมปัญณาตกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อัมพวันอัมพาแปลว่ามะม่วงวันแปลว่าป่าวานะเนี่ยนะอัมพวันก็คือสวนมะม่วงนั่นเองของพระเจ้ามคธเทวใกล้เมืองมิธิลา ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระสรวนให้ปรากฏณประเทศแห่งหนึ่งพระสรวนเนี่ยพระสรวนหรือสรวนพระสวนที่จริงเป็นภาษาเขมรนะเขมรเนี่ยสรวลว่างั้นสำเนียงว่าสรวลก็คือสรุนเรียกแล้วว่าสนุกว่างั้นเถอะนะถ้าโดยศัพบเนี่ยไปเที่ยวนี้สรวล่ะสนุกไหมอย่างเงี้ยคําว่าพระสวนนี่ก็คือสรวนนะนะมันเป็น สรูนั่นเองภาษาคเมนเขาว่างั้นแต่พระองค์ในทรงแย้มแย้มอย่างแค่แค่แย้มก็ริมฝีปากจากพยอ่านิดหนึ่งแล้วรังสีก็จะออกนะะพระสมีก็จะออกวนวนประทักศินสามครั้งแล้วก็จะหายไปในอากาศทีนี้พอพระองค์แย้มพระสวนให้ปรากฏณประเทศแห่งหนึ่งลำดับนั้นท่านพระอานอน์ได้มีความคิดว่าอะไรนาเป็นเหตุ อะไรเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลายไม่ทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุไม่ได้ดังนี้แล้วจึงทําจีวรเฉวียงบ่าข้างหนึ่งปนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเนอเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มพระสวนพระตถาคตทั้งหลาย ไม่ทรงแย้มพระสวนโดยหาเหตุไม่ได้คือพระองค์นี้พอไปเห็นสวนมําม่วงพระองค์ก็ใช้อตีตังสยานหรือปุเพนิวาสานุสติยานนั่นเองคือเห็นภาพปับ๊บ เ, เหตุการณ์อะไรเคยเกิดตรงนี้บ้างพระองค์ก็ใช้ปุเพนิวาสานุสติยานหรือใช้สัพพัญยุตยานเล็งถึงอดีตของเหตุการณ์ณสถานที่นั้นว่าเคยมีอะไรขึ้นบ้างนะพระองค์เห็นแล้วพระองค์ก็แย้มพระสวนนี่ขึ้นมา ซึ่งพระอนนก็ถามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอนนนเรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองมิถิลานี้แหละได้มีพระราชาพระนามว่ามัคคะเทวะทรงประกอบในธรรมะเป็นพระธรรมราชาเป็นพระมหาราชาผู้ทรงตั้งอยู่ในธรรมทรงประพฤติราชธรรมในพรามครหบดีในชาวนิคมและชาวชนบท ทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่14 15และ8ดค่าแห่งปักเหมือนกันเถอดสรุปแล้ว8ดค่ำสิบค่ำสิบาค่ำพระเจ้ า, ามค ะ, ะเทวะก็ทรงสมทานอุโบสถพระเจ้ามคเทวะองค์นี้เนี่ยเป็นพระราชาที่ตั้งอยู่ในธรรมคําว่าธรรมในที่นี้หมายถึงอะไรธรรมในที่นี้หมายถึงกุศลกรรมบท10ประการ พระราชานี้ทํากิจทุกอย่างโดยเอากุศลกรรมบทเป็นที่ตั้งอนุวัตตามกุศลกรรมบทสิบพระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพธรมเหมือนกันพระพุทธเจ้าเคารพทำไหนรรรรรพระพุทธเจ้านั้นเคารพโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์บัญญัติคําสอนทั้งหมดอนุวัตตามโลกุตระธรรมนะพร ะ, พระราชาเขาจะอนุวัตตามทศ อ, อนุวัตตามกุศลกรรมบท10ประการ แต่พระพุทธเจ้าอนุวัตตามโลกุตระธรรมเก้าเนี่ยนะอันเวลาพระองค์แสดงธรรมเนี่ยจึงอนุวัตตามพระโลกุตระธรรม9้าผู้ใดแสดงธรรมะเพื่อโลกุตระธรรมเก้าพระองค์นี่ยืนฟังได้ไดนะยืนทั้งคืนก็ได้ถ้าเขาพูดคําสอนอันนั้นเป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมอั้นพระพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าก็เป็นพระธรรมราชาเนะนี่ยนะทีนี้พระราชาพระองค์นี้ก็ตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบทนั่นเอง พรองคตรัสว่าดูก่อนอานน์ครั้งนั้นโดยล่วงปีเป็นอันมากเห็นไหมที่จริงพระเจ้ามคะเทวะองค์นี้ก็คือพระโพธิสัตว์ในอดีตชาตินั่นแหละว่างั้นทีนี้ล่วงไปปีเป็นอันมากหลายร้อยปีเป็นอันมากล่วงพันปีเป็นอันมากเห็นไหมวันหนึ่งพระเจ้ามคะเทวะรับสั่งกะช่างกระบอกว่าดูก่อนเพื่อนกระบอกกระบอก อช่างตัดผมนั่นเองนะบอกว่าท่านเห็นผมงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อใดเพิ่งบอกเราเมื่อนั้นเมนั้นะถ้าศีรษะงอกบอกด้วยนะเมือนั้นะเขาเป็นพระราชาแล้วนะเขาบอกสั่งไว้ <c oughs> ช่างกระระบ ก, ก็ทูลรับพระเจ้ามคะเทวว่าอย่างนั้นขอเดชะเมื่นะั้นด้วยล่วงไปนะล่วงปีเป็นอันมากล่วงร้อยปีเป็นอันมากล่วงพันปีเป็นอันมาก ช่างกระบอกได้เห็นพระเกสางอกเกิดบนพระเศียรของพระเจ้ามะขะเทวะแล้วก็ได้กราบทูลว่าเทวทูตปรากฏแก่พระองค์แล้วพระเกสางอกเกิดบนพระเศียนแล้วเห็นปรากฏอยู่ว่า ง, งั้นเถอะตอนนี้งอกแะ้วพระเจ้าข่าวว่า ง, งั้นเทวทูตปรากฏแล้วนะอ๋อนะแค่คนชารานี่ก็เอาแค่ไหนนะผมงอกบนทีรษะเมื่อไรเรียกว่าชาราหมดนะย ถ้าสิบห้าแล้วหงอกก็จะว่าไงกันนี้กัดชาร้ามกันน่ะเนาะไม่ได้พระเจ้ามฆ ะ, ะเทอะไรนะเทวทูตคำว่าเทวทูตหมายคำว่าไงก็ดีนะคําว่าเทวทูตหมายความว่าอัตถกถาท่านให้คําจํากัดความดีนะว่าเทวะทูตาคําว่าเทวทูตททมีสามความหมายยังไง คำว่าเทวทูตมีสามความหมายนะจำไหมหนึ่งเป็นทูตของความตายสองทูตเหมือนเทวดาว่างั้นทูตของเทวดาพ่างั้นเด็กเจนพ่อหรือว่าทูตเหมือนเทวดาเทวดาเป็นทูตให้ว่างั้นสามเป็นทูตของวิสุทธิเทพคือพระอรหันต์นนะอันดับแรกทูตแห่งความตาย 2ทูตแห่งทูตคือเทวดาสาทูตแห่งพระอรหันนี น, นะวิสุทธิเทพเนี่ยข้อสุดท้ายวิสุทธิเทพคือพระอรหันคือเทวดานี้มีสาอย่างนะหนสมมุติเทวดาค่าแต่พระองค์พูดสมมุติเทพเหมือนกนก็คือพระราชาสองอเทพที่สองเาเรียกว่าเทวดาเนี่ยนะอุปัติเทพเนี่ยนะเทพคือเทวดาจริงๆนะ 3ก็วิสุทธิเทพเพราะงั้นเทพผู้บริสุทธิ์ข้อแรกที่บอกว่าเทวทูตาความว่ามัจจุความตายชื่อว่าเทวชื่อว่าเทวทูตเพราะอาจว่าเป็นทูตของความตายนั้นคือบุคคลเมื่อผมงอกปรากฏแล้วก็เหมือนยืนอยู่ในสำนักของพยายามมัจจุราชเพราะฉะนั้นผมที่งอกแล้วท่านจึงกล่าวว่าเป็นทูตของมัจจุเทวะ มัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่่ังนั้นนี่อันนี้เป็นทูตของความตายนะันบแรกข้อสองชื่อว่าเทวทูตพระอาตว่าทูตเหมือนเทวดาทั้งหลายก็มีอุปมาเหมือนเมื่อเทวดาผู้ประดับแล้วตกแต่งแล้วมายืนอยู่บนอากาศร้องว่าในวันโน้นท่านจากตายดังนี้เหมือนเทวดาเหาะมาเลยเนี่ยนะแต่งองค์ทรงเครื่องชี้เลยว่าอีกกี่วันท่านตายไงบอกเลย ดังนี้เทวทูตนั้นก็เป็นเช่นนั้นเมื่อผมหอกแล้วปรากฏแล้วก็เป็นเหมือนกับเทวดาพยากรณ์ให้ฉันนั้นเหมือนกันว่างั้นถ้าผมหอกบนศรีรษะนี้เทพพยากรณ์นะว่าตายแน่ถอนทิ้งเลยนะจะแหลงตายแล้วเกินอย่างั้นทำใจไม่ได้มีบางท่านเนี่ยนะรู้ว่าตัวเองเนี่ยชาราเข้ามาเยือนก็เลยชิงฆ่าตัวตายซะก่อนไม่ทันให้ชารา ไม่ชาราในโลกนี้ก็ไปชาราในโลกหน้านั่นแหละขึ้นชื่อว่าความเกิดจะหนีความชาราไปได้อย่างง่ายเพราะฉะนั้นผมที่หงอกแล้วท่านจึงเรียกว่าเทวทูตหรือเป็นทูตเช่นกับเทว์ชื่อว่าเทวทูตเพราะอาจว่าเป็นทูตแห่งวิสุธทธิเทพก็ได้เนี่ยนะเป็นทูตของพระอรหันต์ก็ได้บางันอธิบายว่าแท้จริงพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและบรรปะชิตก่อน ทรงสังเวชจึงออกบวชเห็นไหมใช่ไหมถ้าพระโพธิสัตว์นะนะพระวิปัสสีโ พ, พธิสัตว์เนี่ยไปเห็นคนชรามาคนหนึ่งเนี่ยไปนอนคิดอยู่ตั้งนอนความเกิดเนี่ยเป็นทุกข์หนอเพราะเกิดแล้วต้องชราอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่าขอถวายพระพรเราเห็นคนแก่คนมีทุกข์คนเจ็บและเห็นคนตายสิ้นอายุไขและเห็นนักบวชผู้นุ่งนุ่งห่มผ้ากาสายะเหตุนั้น เราจึงบวช ด, ดังนี้นะเพราะฉะนั้นโดยปริยายนี้ผมที่หงอกแล้วท่านจึงเรียกว่าเทวทูตเพราะเป็นทูตแห่งวิสุทธิเทพนะเห็นผมงอกเขาเป็นพระอรหันต์กันเนา ะ, ะาพุทธิสัตว์นะท่านเป็นพระอรหันต์เลยอาศัายผมหงอกนั่นแหละเป็นอุปนิสัยให้แต่ตรงนี้ก็บอกว่าเทวทูตปรากฏแล้วว่างั้นเถอะผมงอกบนศรีรษะแล้ว พระเจ้ามค า, าเทวะก็ตรัสว่าดูก่อนเพื่อนกระระบกถ้าอย่างนั้นท่านจงเอาแหนบทองคำเนี่ยนะถอนผมงอกนั้นให้ดีแล้ววางลงที่กับพุ่มมือของเราเถิดไหนจะดูสิเส้นมันเป็นยังไงอย่างนั้นช่างกระระบกทูลรับสั่งของพระเจ้ามฆ า, าเทวะและจึงเอาแหนบถอนพระเกสางอกนั้นด้วยดีแล้ววางไว้ที่กับพุ่มพระหัตของพระเจ้ามฆ า, าเทวะครั้งนั้นพระเจ้ามฆ า, าเทวะ พระราชทานบ้านสวยแกช่างการระบบเหมือนกันมีว่นนวาให้รางวัลเลยนะที่เห็นผมหอกบนศีรษะเนี่ยแล้วโปรดให้พระราชทานกุมารผู้เป็นราชบุตรองค์ใหญ่มาเข้าเฝ้านะเรียกพระราชโอรสมาเข้าเฝ้าทันทีเลยแล้วรับสั่งว่าดูก่อนพ่อกุมารเทวทูตปรากฏแกเราแล้วผมงอกเกิดที่ศีรษะแล้วเห็นปรากฏอยู่ก็กามทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์ เราได้บริโภคแล้วเวลานี้เป็นสมัยที่จะสแสวงหากามทั้งหลายที่เป็นของทิพย์ว่งางั้นกรมนี้ก็คือความเข้าของที่น่าใคร่หน้าพอใจนี่นะข้าของที่น่าใคร่หน้าพอใจในโลกนี้ก็ได้สเสวยมาเยอะแล้วว่างั้นเถอะอยากจะหาสิ่งที่น่าใคร่หน้าพอใจในพบต่อๆไปบ้างกอมาเถิดพ่อกุมารเจ้าจงครองราชสมบัตินี้ส่วนเราจักปรงผมและนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตดูก่อนพ่อคุมารส่วนเจ้าเมื่อใดพึงเห็นผมงอกบนศรีรษะเมื่อนั้นเจ้าพึงให้บ้านสวยแก่ช่างกระบกพึงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นราชบุตรองค์ใหญ่ในการที่จะเป็นพระราชาให้ดีแล้วปลงผมและหนวดนุ่งหม่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตเถิดว่าไงเถิดสั่งเสียลูกเบ็ดเสร็จนะนะลูกผมหงอกเมื่อใดต้องบวชนะเจ้าว่าว่าไง แล้วก็เจ้าพึงประพฤติวัดนะประพฤติตามวัดอันงามที่เราตั้งไว้แล้วนี้เจ้าอย่าได้เป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยแปลว่าอย่าทำวัดอันนี้ให้เสียหายนะเมื่อสมัยแห่งบุรุษใดเป็นไปอยู่วัดอันงามเห็นปานี้ขาดศูนย์ไปสมัยแห่งบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของราชบัณชิตนั้นนะเป็นวงของกษัตริย์วงนี้เลยว่าผมหงอกออกบวชเหมือนันเ้เป็นวงที่ พระเจ้ามคะเทวะตั้งเอาไว้เลยดูก่อนพ่อกูมารเจ้าจะพึงประพฤติตามวัดอันงามที่เราตั้งไว้แล้วนี้ได้ด้วยประการใดเรากล่าวอย่างนี้กับเจ้าด้วยประการนั้นเจ้าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยอย่าเป็นคนสุดท้ายของวงนี้เลยนะดูก่อนอานอนท์ครั้งนั้นพระเจ้ามฆะเทวะครั้นพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกระระบก และทรงพร่ำสอนพระราชกุมารผู้เป็นพระราชบุตรองค์ใหญ่ในการที่จะเป็นพระราชาให้ดีแล้วก็คือพร่ำสอนเกี่ยวกับการบริหารแผ่นดินอย่างนั้นทรงปลงพระเกษาและพระมัสสุนุ่งห่มผ้ากาสายสเด็จออกจากพระราชนิเวศทรงผนวดเป็นบนรรพชิตที่มคเทวมพวันนี่แหละก็คือไปบวชตรงเทพพระพระองค์ใหญ่พระสวนนั่นแหละไปบวชอยู่ตรงนั้น เท้าเธอทรงมีพระหาดูไทยประกอบด้วยเมตตาเห็นไหมไปถึงเนเจริญพรหมมิหารอย่างเดียวอ่างนั้นเถอะเจริญพรหมมิหารมีใจประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปทั่วทิศหนึ่งอยู่ทิศที่สองอยู่ทิศที่สอยู่ในทิศที่สี่ก็เหมือนกันมีใจเนี่ยแผ่ไปในทุกทิศอ่างนั้นเถอะทิศเบื้องบนเบื้องต่าเบื้องคว้างไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะ เราน่าจะคิดได้เนาะไม่ไม่คิดอย่างนี้มากนะเออนะสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังทิศเบื้องซ้ายทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องต่ำเนี่ยมีความสุขนะไม่ใช่คิดรอบตัวเราหมดเลยขอให้เรามีความสุกรอบตัวหมดเลยเอาอนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้เอาเป็นพยานแห่งเมตตาแล้วเออสัตว์ทั้งหลายก็ก็แสวงหาความสุขแบบนี้แหละก็เจริญเมตตาให้แก่เขาไปเอาถามว่าคนชั่วเราต้องเจริญเมตตาให้ด้วยเหรอ เอาถ้าเขาชั่วแล้วเราไปคิดชั่วกับเขาใครชั่วกับกันกันนี่ใช่ไหมเอาเขาไม่ดีอะ่ะถ้าเราไม่เจริญเมตตาให้เขาเราก็มีส่วนไม่ดีด้วยนะเพราะใจเราคิดไม่ดีกับเขาทํำยังไงที่เขาก็ไปตามกรรมของเขานะอั้นตามหลักคําสอนของพระผู้มีพระภาคสัตว์มีกรรมเป็นของของตนเขาไม่ดีก็บาปกรรมของเขาไปส่วนของเขาถ้าเราไปคิดไม่ดีกับเขาก็คือเท่ากับ เออฉันขอแบ่งมาบ้างนะแต่ความไม่ดีของแกก็เอาคถ้าเราคิดตำหนิเขาแล้วเราดีนักขนาดไหนใช่ไหมเพราะใจเราไม่เป็นธรรมกับเขาแล้วเพราะนั้นความไม่ดีอันนั้นก็ก็อยู่ในเราด้วยเพราะนั้นเมต่านั้นเป็นกิจที่จะต้องเจริญให้มากๆเนี่ย น, นะเขาก็ไปตามกรรมของเขานั่นแหละแต่ถ้าเราขาดเมตตาเราก็จะไปตามกรรมที่ไม่มีเมตตาอันนั้นด้วยเหมือนกันนะเพราะ จเจริญให้หมดเลยนะแม้แต่ศัตรูคู่เวนคู่อาฆาตคนที่ให้ความจเจริญหรือให้ความร้ายแก่เราเนี่ยนะต้องจเจริญให้เขาให้หมดนั่นแหละเพราะถ้าเราไม่สามารถจเจริญได้อย่างนั้นใจเราก็มีโทษในโลกนี้ใครเป็นอ่าเขาบอกว่าอะไรเนี่ยก่อโทษให้มากที่สุดเหมัอนกันแหลพระพุทธมีพระภาคตรัสว่าอะไรเนี่ยก่อทุกข์ก่อโทษให้มากที่สุ ด, นน ค, ด, สดคือจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นแหละเนี่ยนะ จิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยนะตั้งไปด้วยอำนาจของอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะจิตอันนั้นแหละก่อทุกข์ก่อโทษให้มากถ้าหากว่าเราถึงกับไปล่วงกายกรรมวิมจีกรรมมโนกรรมด้วยแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าไงนะนักเลงการพนันเนี่ยนะที่ที่เสียการพนันแล้วสูญเสียครอบครัวสูญเสียบุตรภรรยาสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยนะนับว่าเสียน้อยเหมือนกันแต่คนพานที่ทําคําชั่วทางกา ย, ท า, กายทางวาจาทางใจเนี่ยเสียหายมากกว่านั้นหลายเท่านักเหมือนกันเพราะอะไร คนคนที่เสียการพนันส่วนใหญ่ก็อย่างน้อยถึงหมดอย่างอื่นก็ยังรักษาชีวิตไว้ได้นะรักษาชีวิตไว้ได้คือขรามานี่แหละจําได้เลยครั้งหนึ่งโองานปีใหม่เราก็ได้สตังค์มาเลยปีใหม่เนี่ยทำงานได้เงินมาโอ้ทำอะไรวะคืนนี้ดีเขไปเล่นการพนันในมดเลี้ยงเนยนะ หมดตัวเลยอ่ะโอ้จำภาพได้เลยนะเดินตัวเบาวิววิวิ ว, ว, ว, วออกมาเนี่ยนะทำงานเป็นเดือนเดือนอะ่ะนะพลานเข้าไปคืนเดียวท่านเรื่องทีนี้โอ้มันสูญเสียไปเยอะนะแต่ก็ยังเหลือชีวิตมาศึกษาคำสอนได้กันอ้าดีละแต่ถ้าหากว่าคนที่ไปถึงกับล่วงความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยนะอันนี้เสียหายก่อ น, นั้นอีกนะเพราะอะไรเพราะว่า ถ้าเขาไปสู่อบายทุกขติวินิบาตแล้วโอกาสที่จะกลับมาทําคุณงามความดีทํากุศลนี่ยากเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าคนที่ทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วเป็นเหตุให้ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกนั้นเสียหายมากกว่านักเลงการพ น, นันหลายสิบเท่านักพนั้นแม้แต่ชีวิตก็ยังรักษาไม่ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ก็รักษาไม่ได้อันนั้นก็เลยต้อง จเจริญเมตตาฉันพระเจ้ามคเิวะก็จะเจริญเมตตาแผ่เมตตาเนี่ยนะเนี่ยนะถ้าเมตตาในเมตสูตรนี่ว่าไงนะจำได้ไหมนะสุขิโนโวาเคมินุหุนตุสัตเพสัตตาภวันตุสุขิตตาว่าไงขอสัตว์ทั้งปวงใช่ไหมจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเธอว่าไงเนนีะ่สัตว์อื่นไม่พึงคมคูสัตว์อื่นไม่พึงดูหมิ่นเขาในที่ไหนๆไม่พึง ปรารถนาทุกขให้แก่กันและกันเนี่ยนะก็คือใครก็อย่าดูหมิ่นใครนะให้มีความสุขกันทุกท่วหน้าเนี่ยนะมาตายะานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตมะนุรักเเคเวังติสัพพูเตสุเนี่ยนะมารดาถนอมบุตรคนเดียวผู้เกิดในตนแม้ด้วยการยอมสละชีวิตได้ฉันใดกุลบุตรผู้เจริญเมตตาก็มีใจไปแบบนั้นแหละไปในสัตว์ทั้งหลายในทั่วทุกทิศนะทีนี้พระเจ้ามคาเทวะเนี่ยนะไปเพียรพยายามอย่างไรไม่ได้กล่าว เนี่ยนะตรงปฏิบัติเนี่ยนะแบบที่เราเรียนในวิสุทธิมรรคไม่ได้บอกบอกตอนที่ท่านมีจิตเป็นฌานแพ่ไปในทุกทิศเห น, นือว่างันเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีพระทยัยทรงประกอบไปด้วยเมตตาอันไพบูรย์เป็นมหคตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแพ่ไปทั่วโลกโดยมุ่งประโยชน์แก่สัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานทั้งในทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางด้วยประการชนนี้ สรุปแล้วได้ฌานว่างั้นเถอะมีเมตตาจนได้ฌานแผ่ไปในทุกทิศทรงมีพระหฤทัยประกอบไปด้วยกรุณาแล้วก็เจริญกรุณาด้วยนะมีพระหฤทัยประกอบด้วยมุทิตาทรงมีพระหฤทัยประกอบด้วยอุเบกขาแพร่แผ่ไปทั่วทิศหนึ่งอยู่ในทิศที่สองในทิศที่สในทิศที่4ก็เหมือนกันทรงมีพระหฤทัยประกอบด้วยอุเบกขาอันไพ่บูรเป็นมหาคตะหาประมาณไม่ได้ ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปทั่วโลกโดยมุ่งประโยชน์แก่สัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานทั้งในทิศเบื้องบนเบนืบ้องต่ําเบื้องขวางด้วยประการชนีว่า ง, งั้นก็คือแผ่เมตตาแผ่พรหมิหารทั้งสีเนี่ยนะได้ในทั่วทุกทิศสรุปแล้วก็ได้ชานว่า ง, งั้นดูก่อนอานอน์ก็พระเจ้ามะขะเทวะทรงเล่นเป็นพระกุมารอยู่8ปด0 0ปีเนีนะเป็นเด็กอย่างเดียวนี่นะ เล่นแบบเด็กๆไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างเนี่ยนะแปห่ีปีทรงดำรงอยู่ในความเป็นอุปราชเนี่ยนะก็คือเป็นอุปราชก็คือใกล้ๆ ก, ก็จะเป็นพระราชาแล้วเนี่ยนะตำแหน่งรอ ง, รองพระราชาเนี่ยอีก 84,000 ปีเสเวยราชสมบัติอีก 84,000 ปีสเสด็จออกจากพระราชนิเวศพนวดเป็นบรรปชิตประพฤติพรหมจารย์อยู่ที่มค ะ, ะเทวมพวันนี่แล 84,000 ปีบวชอยู่ตรงนี้เนี่ยนะแปดหมี 84, ปีด้วยกันสรุปแล้วใช้ชีวิตกี่ปี 84,000 ื 84, คูณสเท่าไหร่กี่แสน3ะสามแสนนะสามหมื่นหกพัปีนะใช้ชีวิตอยู่ขนาดนั้นคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะบางช่วงมีอายุเป็นกลับๆนะสัตว์นี่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะ ห่างกันเท่าไหรนะหนึ่งพุทธันดอนเนี่ยห่างกันแผ่นดินเนี่ยสูงสิหกกิโลเมตรเพราะฉะนั้นจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งไม่ใช่ว่าอายุจะลดลดแล้วมาถึงกันเลยนะสัตว์โลกเนี่ยนะจากตั้งแต่อายุมากๆลดมาจนถึงสิปีตายจากสิบปีนี่ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปจนถึงเนี่ยอายุอสงไข่หนึ่งเนี่ยนะอายุอสงไขยปีพออายุอสงไขยปีเริ่มประมาทอีกแล้วครเริ่มอายุสั้นๆๆ้น ส, น ส, น ส, น ส, นสนลดลงมาหรือช่วง ถ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากะกุสันทะอายุ8 0ด0 0ปีเนี่ยนะพระองค์ก็เป็นพร ะ, ะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าะนะก็จะเสื่อมมาจนถึง10ปีอีกแล้วขึ้นไปอีกขึ้นไปจนอายุอสงไขยแล้วก็ลดลงมาเหลืออายุประมาณห0 0 0 0่นปีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมณะเออไม่ใช่กากุสันทะโกนาคมณะนะจึงได้ตรัสรู้ขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีก ลดมาจนหมดแล้วก็เพิ่มขึ้นไปจนแล้วก็ลดลงมาอย่างนี้อีกนะพระพุทธเจ้าพันนามว่าทัากกาสปะเจีงมาตรัสรู้พระทักกาสปะเนี่ยอายุเท่าไหร่นะพระวิปัสสีเนี่ยแปดหมปีใช่ไหมเนี่ยนะตัวเลขจงงแต่ว่าพระกัสปะเนี่ยนะ2 0,000 ปีแล้วตัวเลขก็จะลดลงมาจนหมดแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนเป็นอสงไขยปีแล้วก็จะลดลงมาอีกเหลือร้อปี พระพุทธเจ้าของเราก็ได้มาตรัสสรู้ใช่ไหมทีนี้ของเราก็ไปจนถึง10ปีตายนะหมดไปนานแล้วนะ10ปีตายเนี่ยปีตายนะถึงมิกรสียีเป็นต้นเนี่ยนะอันตรกับกับเสื่อมเต็มที่ก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็นอสงไขยปีแล้วก็ลดลงมาเหลือ8 0 0หมื่นปีพระศีอันยังมาตรัสสรู้งั้นบางช่วงนีอายุอย่างช่วงนี้ก็อายุประมาณ300แสนกว่าปีเนี่ยนะกล่าวสมัยนั้นงนั้นกับับหนึ่งนี่ยาว อัน น, นี้ไม่ใช่กับหนึ่งนะอันนี้เพียงแต่ว่าจากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเรียกว่าพุทธันดอนหนึ่งวันนี้ไปอ่านข้อความถึงเรื่องขันคําว่าขันคือรูปประขันก็อาดว่าย่อยยับสลายไปเพราะาความเย็นความร้อนสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดแล้วก็ความหิวกระหายแล้วท่านก็บอกว่าเปรตบางตัวเนี่ยนะหิวกะหายอยู่สองสามพุทธันดรก็มีเนี่ยนะ ายาวขนาดนี้เนี่ยเป็นพุทธันดอนของมันแล้วก็มีมีเปรตอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกอสูรตัวงเขาว่าโอ้โหได้ยินเสียงน้ําวิ่งไปพล่านพอวิ่งลงไปเนี่ยเป็นทรายหมดเลยทีนี้ก็ไปนอนแผ่อยู่ข้างๆแม่น้ําอ่ะหิวน้ําพระไปบินฑบาตเจอเขาอ้าวเป็นไงสัง้นสัตว์บรุษบอกงั้นผมเป็นเปรตครับบอกงั้นอา้าวหิวน้ำบอกงั้นอา้อาวอา้าก็ไม่กินน้ําอ่ะเขาบอกว่าไม่สําเร็จประโยชน์แกผมครับมัน พระก็เลย30มองค์เนี่ยนะเอาบาตเนี่ยไปตักน้ามารดมารดใส่ปาให้เปรตตักตั้งแต่เช้ามืดเลยนะจนได้เวลาบินทบาทถามมาเป็นยังไงสาสตรุปุโรดว่าไงก็บอกว่าถ้ามันลงไปในคอผมสักคำหนึ่งเนี่ยนะขออัตภาพความเป็นเปรตจะได้หายไปเลยเขาว่าไงให้อยู่เป็นเปรตอย่างนี้แหละถ้ามนุษย์ตักน้ําให้กินได้คําเดียวเนี่ยนะว่าไงเพราะนั้นอาหิวก็หายอยู่อย่างเงี้ยเป็นพุทธันดรเนี่ยนะ คนโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเวลามันเล่นงานแล้วก็ของเราเนี่ยนะถ้าจะผ่าตัดหมอก็ไม่ให้กินน้ำเลยนะก็เริ่มกระหายตั้งแต่เป็นนี้แล้วฝึกฝึกไว้นะทาไม่ได้ทำเหตุก็ต้องฝึกไว้จริงๆอ่ะนะไม่ได้แช่งนะเพราะเพราะอะไรเพราะเหตุทำไปแล้วแล้วก็พระพระราชาองค์นี้เนี่ยสเสวยใช้ชีมีชีวิตอยู่ประมาณ3า0แส0กว่าปีเนี่ยนะ แล้วพงษ์ตรัสว่าดูก่อนอนุนครั้งนั้นราชบุตรของพระเจ้ามคธเทวะโดยล่วงปีไปเป็นอันมากล่วงร้อยปีไปเป็นอันมากล่วงพันปีเป็นอันมากรับสั่งกระชั่งกระระบกว่าดูก่อนเพื่อนกระระบกท่านเห็นผมงอกเกิดบนศรีรษะของเราเมื่อใดพึงบอกแก่เราเมื่อนั้ น, น, นครั้งนั้นช่างกระระบกก็รับคําของพระราชบุตรแห่งพระเจ้ามคธเทวะว่าอย่างนั้นขอเดชะ โดยล่วงปีไปเป็นอันมากล่วงร้อยปีไปเป็นอันมากล่วงพันปีเป็นอันมากช่างกระบอกได้เห็นพระเกศางอกเกิดบนพระเสียงของพระราชบุตรแห่งพระเจ้ามรคเทวะแล้วก็ได้กราบทูลว่าเทวทูตปรากฏแก่พระ อ, องค์แล้วพระเกศาเกิดองอกเกิดบนพระเสียงเห็นปรากฏอยู่ พระราชบุตรของพระเจ้ามคะเทวะตรัสว่าดูก่อนเพื่อนกระระบกท่าอย่างนั้นท่านจงเอาแหนบถอนผมงอกนั้นให้ดีแล้ววางในกระพุ่มมือของเราเธอเนี่ยนะช่างกระระบกก็รับคำสั่งของพระราชบุตรแห่งพระเจ้ามคะเทวะแล้วก็เอาแหนบถอนพระเกศงอกนั้นด้วยดีแล้วก็วางไว้ในพุ่มพระหัตของพระราชบุตรแห่งพระเจ้ามคะเทวครั้งนั้นพระราชบุตรของพระเจ้ามคะเทว พระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลระบกแล้วโปรดให้พระราชกุมารผู้เป็นราชบุตรองค์ใหญ่มาเข้าเฝ้าแล้วก็ได้ตรัสว่าดูก่อนพ่อกุมารเทวทูตปรากฏแก่เราแล้วผมงอกเกิดบนศีรษะเห็นปรากฏอยู่กามทั้งหลายที่เป็นของมนุษย์เราบริโภคแล้วเวลานี้เป็นสมัยที่จะสแสวงหากามอันเป็นทิพย์มาเถิดพ่อกุมารเจ้าจงครองราชสมบัตินี้ ส่วนเราจักปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิตถ้าแม้เจ้าพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีสษะเมื่อใดเมื่อนั้นพึงให้บ้านสวยแก่ช่างกระบกแล้วก็พร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นบุตรคนใหญ่ในการที่จะให้เป็นพระราชาให้ดีแล้วก็ปรงผมและหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบนรรปชิต เพื่อประพฤติวัดอันงามนี้ที่เราตั้งไว้แล้วเจ้าอย่าได้เป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยเมื่อยุคแห่งบุรุษใดเป็นไปอยู่วัดอันงามเห็นตานี้ขาดศูนย์ไปยุคแห่งบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของราชบันประชิดนั้นดูก่อนพ่อกุมารเจ้าจะเพื่อประพฤติวัดอันงามที่เราตั้งไว้แล้วนี้ได้ด้วยประการใด เรากล่าวอย่างนี้กับเจ้าด้วยประการนั้นเจ้าอย่าได้เป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยดูการอโนนครั้งนั้นพระราชบุตรของพระเจ้ามคะเทวะพระราชทานบ้านสวยแก่ช่างกลระบกทรงพร่ำสอนพระราชกุมารผู้เป็นพระราชบุตรองใหญ่ในการที่จะเป็นพระราชาให้ดีแล้วทรงปลงพระเกษาและพระมสุครองผ้ากาสายะคือผ้าย้อมน้ำฝาดเนี่ยนะ แล้วเสด็จออกจากพระรา ช, ชนิเวศผนวดเป็นบนรรพชิตยอยู่ในมาคเทวะอวัลภวันนี้นั่นแหละสรุปแล้วก็คือวันที่พระราชาพระองค์นี้ออกบวชเป็นวันที่พระเจ้ามาคพระราชาองค์ก่อนนิพเสียสิ้นชีวิตพอดีเลยเนี่ยนะสิ้นพระชนมายุพอดีเลยลูกนะลูกที่เป็นหลานของพระเจ้ามาคเทวะขึ้นครองราชเนี่ยนะไม่ใช่ลูกออกบวชหลานขึ้นครองราช แล้วก็ลูกหลานต่อไปอีกก็เป็นอุปราชแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ลูกอันนั้นก็คลอดมาพอดีนะแล้วชาวเมืองทํางานที่มงคลห้าอย่างวันเดียวเนี่ยนะเรียบร้อยเลยนะใช่มเพราะเกี่ยวเนื่องกันกษัตริย์ทั้งห้าองค์เลยเนาะวันนั้นอ่ะนะวันนั้นวันเดียวนะกษัตริย์องค์แรกผู้ตั้งวงสิ้นพระชนะพระเจ้าคนตั้งวงสิ้นพระชนลูกของพระเจ้าออกบวชที่สิ้นพระชนนั้นอนะ่ะ ออกบวชนะหลานของพระเจ้าองค์แรกนั่นน่ะขึ้นครองราชแล้วก็เลนเขาอีกทำไงเป็นอุป ร, ราชแล้วก็ลูกของลูกคลอดมานนั้นอีกพอดีเนี่ยนะเข้าจังหวะหมดแปดหมืนสี่พันปีเนี่ยนะเสร็จแล้วพระราชาองค์นี้บวชแล้วก็เจริญพรหมวิหารได้ฌานเมื่อได้ฌานแล้วก็เประพฤติฌานทั้งสี่ เจริญพรหมวิหารสี่แล้วก็สวรรคตสเสด็จเข้าถึงพรห ม, มโลกแต่ว่าชีวิตของพระราชาองค์นี้ก็เหมือนกัน8 4ด0 0ี่พันปีตามสูตรเหมือนเดิมเห็นแล้ววงอันนี้ก็เป็นไปเรื่อยเป็นไปอย่างนี้อีกชั่วกษับแปดหม 4% ี่พันชั่วกริยัเป็นลักษณะเนียนะวงอันนี้เนียเป็นวงที่ยาวนานมากพัน พระราชบุตรพระราชนัดดาของพระเจ้ามค ะ, ะเทวะสืบวงนั้นมา 84%, ดหมื่่พันชั่วกริย์ได้ปลงพระเกศาและมัสสุทรงพรองผ้ากาสายะออกบวชเป็นบนรรพชิตแล้วก็ได้ฌานกันหมดเลย น, นะระยะเวลาผ่านไปชั่วกษัตริดหมื่นสี่ันองค์กระสัองค์แรกคือพระเจ้ามะขะเทวเนี่ยนะตรวจดูวงของตัวขนานั้นเขาเป็นพรหมอยู่ใช่ไหม ขณะที่เป็นพรมอยู่ก็ตรวจดูวงเอวงที่เราตั้งไว้เป็นยังไงวนะป่านนี้แหละนะพรมเนี่ยอายุยาวขนาดนั้นนะสัตริย์ตาย8ปด0 0ื่นสะี่พันองเนี่ยนะองหนึ่งเนี่ยอายุสามแสนกว่าปีอ่ะพรมยังไม่ตายเลยก็ดูเอวงที่เราวางไว้เป็นยังไงนะอา้าวจะสิ้นวงแล้วนี่อังงนั้นวงนี้จะสิ้นแล้วเพราะฉันท่านก็เลยทําอธิมุติกิริยาคือตายแล้วมาเกิดเป็นลูกของอัครมเหสีเนี่ยนะต้นวงอ่ะมาเกิดเป็นท้ายวงอีก ก็มาเกิดมาเกิดเป็นพระเจ้านิมิราชว่างัน้นคือพระเจ้านิมิราชนั้นเป็นพระราชาองค์สุดท้ายแห่งรา ช, ชบันปชิตเหล่านั้นเป็นพระราชาประกอบในธรรมเป็นพระธรรมราชาเป็นพระมหาราชาผู้สถิตอยู่ในธรรมทรงประพฤติธรรมในพรามหมณ์เครือหบดีชาวนิคมและชาวชนบท ร, รักษาอุโบสถทุกวันที่สิบ 4ที่15และที่8 แ, แห่งปักว่างอนนเถอะแคำสิบส่คำ15ค่า ำ, าำก็ทรงรักษาอุโบสถทีนี้ในอัตถกถาท่านอธิบายคำว่านิมิเน่นะนิมินี่หมายคำว่าได้ยินว่าพระโพธิสัตว์นั้นบังเกิดในพรหมโลกแล้ว รำพึงอยู่ว่ากาลยานวัตที่เราตั้งไว้ในมนุษยโลกนั้นยังเป็นไปอยู่หรือหนอก็ได้ทรงเห็นว่ายังเป็นไปอยู่ตลอดกาลนานมีประมาณเท่านี้แต่บัดนี้จักไม่เป็นไปแล้วพระองค์นี้ทรงดาริว่าก็เราจักมิให้เชื้อสายของเราขาดตอนเสียดังนี้จึงทรงถือปฏิสนธิในคันของพระอัคารมเหสีแห่งพระราชาที่เกิดในวงวองตนเนี่ยนะไม่รู้จะเรียกอะไรนะ จากต้นวงมาเป็นท้ายวงอย่างเงี้ยรู้เรียกวงยังไงเรียกอะไรนะของเราเนี่ยได้ลูกหลานเลนอะไรก็ได้อีกไม่เท่าไรนะนับไม่หวาดไม่ไว้เลยคือพระโพธิสัตว์นี้ส่วนหนึ่งเนี่ยท่านทําอธิมุตการกิริยาด้วยนะท่านท่านเรียกว่าสํานวนเราเรียกว่าตั้นใจตายนะสมมุติว่าท่านเห็นว่าเออช่วงนี้จะได้บําเพ็ญบารมีแล้วท่านก็จะอธิษฐานแล้วก็ตายตา ย, ตายแล้วก็มาเกิด พอเกิดแล้วก็บําเพ็ญบารมีแต่และช่วงแต่และช่วงไปเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยมาทรงบังเกิดเหมือนสืบต่อนะกลุ่มกลุ่มแห่งวงของตนนะคือไม่ให้วงนี้ขาดไปด้วยเหตุนั้นพระราชกุ ม, มารนั้นจึงทรงมีพระนามว่านิมิคือเขาเขามีการพยากรณ์เลยว่าเออนี่มาสืบวงของตัวนี่เนี่ยนะโดยนิมิตตั้งหลายอย่างพรามก็เลยทํานายว่าเออเด็กคนนี้มาสืบทอดวงที่ตั้งเอาไว้เลยก็เล ย, เล ย, เลยชื่อว่านิมิตรว่างั้น นะถ้าหากว่าผู้ใดอยากได้รายละเอียดกว้างขวางก็ดูในเนมิราชชาดกเหงือนกันตรงนี้เฉพาะนิมิมค ะ, ะเทวะเนื้อหาคร่าวๆก็บอกว่าด้วยประการชานิดพระราชานั้นเป็นพระราชาองค์สุดท้ายทั้งหมดของพระราชาที่ออกบวชแล้วผู้ที่ออกบวชคนสุดท้ายจึงมีโดยประการชานี้อันหนึ่งเมื่อว่าโดยคุณมีคุณอย่างมากมายนะพระราชาทุกองเนี่ยมีคุณหมด แต่คุณที่ยิ่งใหญ่กว่าพระราชาทุกพระองค์ของพระเจ้านิมิราชนั้นมีอยู่สองประการพระราชาองค์นี้ใหญ่กว่าองค์ก่อนๆหมดเลยสองอย่างว่างั้นคือพระองค์นี้ทรงสละทรัพย์ในประตูทั้ง4ประตูละ1น0 0 0แสนทุกวันตั้งโรงทานเลยสมุมเมืองเนี่ยนะไอ้สประตูเมืองเนี่ยนะประตูละแสนและแสนและแสนสประตูและทรงห้ามผู้มีให้รักษาอุโบสถเข้าเฝ้าใครไม่รักษาศีล8ดห้ามเข้าเฝ้าว่างั้น เออดีนะเขาบอกว่าคือเมื่อผู้ที่ไม่ได้รักษาอุโบสถตั้งใจว่าจะเข้าเฝ้าพระราชาจึงไปแล้วนายประตูจะถามว่าท่านรักษาอุโบสถหรือไม่ได้รักษาผู้ใดไม่ได้รักษาอุโบสถก็จะห้ามผู้นั้นเสียว่าพระราชาไม่ทรงให้ผู้ที่ไม่ได้รักษาอุโบสถเข้าเฝ้าคนไม่มีสินแปดไม่มีเข้าไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระราชา ในคนเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะพูดว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นชาวชนบทจกได้โภชนาในการที่ไหนดังนี้เออเป็นคนทุกคนยากเนี่ยจะกินยังไงอะไรยังไงเวลารักษาอุโบโสถแล้วยากอ่าเขาบอกไม่มีใครพูดได้เหมือนกันเพราะเจ้าพนักงานตบแต่งเตรียมโภชนาหาเนี่ยเป็นองค์ไว้หลายพันที่ประตูนะที่พระลานหลวงแม้แต่ใ น, ในพระราชวังทุกวันก็เหมือนกันน ะ, ะใครเข้าวังเวลาไหนก็จะมีอาหารรอหมดเลยนะ ในวังของขอ ง, ของเราของพระราชาทุกวันเนี่ยนะจะมีอาหารเนี่ยสุกเตรียมพร้อมไปตีหนึ่งก็ได้ทานไปตีช่วงไหนก็ได้หมดอะ่ะเขาบอกว่ามีอาหารสุกบริบูรณ์รอบหมดเลยเพราะฉะนั้นในพระราชาพระ อ, องค์นี้ก็เหมือนกันก็ตั้งอาหารไว้เลยเนี่ยนะเพราะมันสีประตูเมืองเนี่ยถ้าจะเข้าเฝ้าพระราชารักษาอุโบสถนะเพราะฉะนั้นมหาชนจะโกนหนวด อาบน้าเปลี่ยนผ้าบริโภคโภชนาะได้ตามชอบใจในที่ปราถนาะปราถนาแล้วอธิษฐานองอุโบสถไปยังประตูพระราชวังได้เมื่อนายประตูถามแลวถามแล้วว่าท่านรักษาอุโบสถหรือก็จะตอบว่าจ้ารักษาด้วยเหตุนั้นนายประตูจึงพูดว่ามาได้แล้วนำเข้าไปยังประตูพระราชวังพระเจ้านิมิทรงมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณสองประการนี้ดังกล่าวมาชนนี้ ดีนะมาทานศีลแปก่อนนะจึงเข้าไปเฝ้าได้อ่ะอแสดงว่าพระราชาองค์นี้เห็นแต่คนมีศีลอย่างเดียวเลยนะไม่มีไม่ได้ต้องทำให้มีขึ้นก่อนแล้วค่อยมาแั้น <c oughs> ทีนี้ดูก่อนอานอน์เรื่องมีมาแลว้วอันตรกถานนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เทวดาชั้นดาวดึงผู้นั่งประชุมกันอยู่ณสภาชวสุธรรมารดูก่อนท่านผู้เจริญเป็นลาบของชาววิเทหะหนาดูก่อนท่านผู้เจริญ ชนชาววิเทหะได้ดีแล้วหนาที่พระเจ้านิมิราชของเขาเป็นพระราชาประกอบในธรรมเป็นพระธรรมราชาเป็นมหาราชาผู้ทรงสถิตยอยู่ในธรรมทรงประพฤติ ธ, ธรรมในพรามหมครหประดีชาวนิคมและชาวชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่14ที่15และที่8แห่งปักเหมือนกันแทคือเทวดาที่ไปชมอยู่ในสวรรค์ก็คือเทวดาที่เป็น ค า, า, า, าราชบริพานของพระเจ้า น, นิมินั่นแหละที่ตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซะส่วนใหญ่ันพอไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงสลล์ก็ระลึกถึงเอเรานี้มาเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ได้อย่างไรก็นึกโ่าพอพระเจ้านิมินั่นเองช่วยเนี่ยนะช่วยโอวาสสั่งสอนอนุสาสนีให้ประพฤติตามธรรมแล้วก็รักษาอุโบสถเป็นต้นก็เลยได้มาเกิดณนะที่นั้นพอไปถึงแล้วก็กล่าวชมคุณของพระเจ้านิมิราชใหญ่ ดก่อนอนน์ครั้งนั้นเท้าสกะจอมเทพตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงมาว่าดูก่อนท่านผู้เนรทุกทั้งหลายท่านทั้งหลายปรารถนาจะเห็นพระเจ้านิมิราชหรือไม่อ่างนั้นแท้อยากเห็นพระเจ้านิมิราชไหมอย่างั้นคือในช่วงนั้นเนี่ยวันหนึ่งพระเจ้านิมิราชเนี่ยกำลังนั่งรักษาอุโบสถอยู่เนี่ยนะพอนั่งรักษาอุโบสถแล้วก็คิดว่าเอทานกสินเนี่ย นะคือตรวจดูทานของตัวเสร็จแล้วก็ตรวจดูศีลแล้วก็ได้คิดว่าทานใหญ่กว่าศีลหรือว่าศีลใหญ่กว่าทานถ้าทานใหญ่กว่าเราจะท่วมทับให้แต่ทานอย่างเดียวว่างั้นจะเอาของที่มีอยู่มาโปะให้ทานอย่างเดียวถ้าทานดีหรือถ้าหากว่าศีลใหญ่กว่าเราจะบําเพ็ญแต่ศีลอย่างเดียวจะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งอันไหนจะดีกว่ากันว่างั้นนั่งสงสัยอยู่นั่นแหละ ทีนี้พระ อ, องค์ก็ไม่อาจตกลงใจได้เอ๊ยอันนั้นก็ดีนี่ก็ดีก็เลยตกลงใจไม่ได้นะท้าวสักกะก็มาปรากฏเฉพาะหน้าพระ อ, องค์นะเดือดร้อนถึงท้าวสากากักกะท้าวสักากะอดีตชาติไครนะพานรุษนั่นแหละบอกแล้วนะก็พานรุษทะปมา <c oughs> ได้ยินว่าพระ อ, องค์ํำเร็กอย่างนี้ว่าพระราชาเกิดความสงสัยขึ้นเพื่อจะตัดความสงสัยของพระ อ, องค์ข้าพระ อ, องค์จะตอบปัญหา และจะถือเอาปฏิญญาเพื่อเสร็จมาณนะที่นี้บา ง, งั้นคือพอปรากฏเสร็จแล้วก็ถามมาเออท่านเป็นใครอย่างไงนะเพราะฉะนั้นจึงมาปรากฏเฉพาะประภักษพระราชาเห็นรูปที่ไม่เคยเห็นก็ทรงเกิดความกลัวพระโลมาชาชูชันทีนั้นเทา้าสกตะตรัดกับพระราชานั้นว่าอย่าทรงกลัวไปเลยมหาราชถามมาเถิดจะวิสัชนาถวายนะจักบรรเทาความสงสัยของพระ อ, องค์ให้นะพระราชาก็เลยทูลถามปัญหาว่า ข้าแต่มหาราชผู้ใหญ่กว่าสัพพสัตข้าพระองค์จะขอถามพระองค์ทานหนึ่งพรหมจันทร์หนึ่งข้อไหนจะมีผลมากกว่ากันนะระหว่างทานกับพรหมจันทร์เนี่ยไหนจะมีผลมากกว่าท้าวสกตะตรัสว่าเชื่อว่าทานเนี่ยจะใหญ่อะไรศีลเท่านั้นเป็นใหญ่เพราะเป็นคุณอันประเสริฐสุดนะนะคือทานเนี่ยไม่ได้ใหญ่ไปกว่าศีลหรอกข้าแต่มหาราช แม้ข่าพระองค์ได้ให้ทานแกเฉดินถึงหมื่นคนอยู่หมื่นปีก็บอกว่าพระพระอลเนี่ยเล่าให้ฟังว่าอดีตชาติท่านเป็นเป็นพระราชาเป็นพระราชาที่ให้ทานอยู่อย่างเนี้ยหนึ่งหมื่นปีแก่ฤาษีที่ได้อภิน ญ, ญาห้าหนึ่งหมื่นคนนะให้ทานอยู่หมื่นปีนไะก็บอกว่าถ้าให้ทานกับฤาษีนักบวชนอกาศาสนาที่ได้ฌานอภิน ญ, ญาเมียนี่สสองเท่าไหร่นนะแสนโกดเท่านะ แสนโกรชาติว่างั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วให้ทานหมื่นปีอะ่ะกับหมื่นคนอะ่ะคูณกันเข้าไปเลยเนาะเขาบอกว่าเคยทําบุญอย่างนี้แต่ปางก่อนก็ไม่พ้นจากเปรตเปรตตะวิสัยว่างั้นเขาบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยนะทำบุญอย่างนั้นตายแล้วมาเกิดเป็นเปรตคําว่าเปรตตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ที่ยังสแสวงหาความสุขจากข้างนอกอะ่ะเห็นไหมคือแสวงหาความสุขจากรูปเสียงเปลี่นรสโพธาภะเขาเรียกว่าเปรตว่างั้นนะ ในในิสสันวนของพระอินทร์เขาว่างั้นอ่ะแต่ท่านผู้มีศีลบริโภคทานของข้าพเจ้าไปเกิดในพรหมโลกเออท่านอิ่มในตัวของท่านเองนะไหมอิ่มในตัวเองอ่ะคือคือคนที่ได้ชาเนี่ยมีความสุขอยู่ในตัวเลยนะไม่ต้องอาศัยอารมณ์จากข้างนอกมาให้เกิดความสุขแต่ว่าคนที่อยู่เสวยการมมคุณเนี่ยนะต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสและโพธิภพเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าไม่พ้นปิดติวิสัยว่างั้น <c oughs> ก็ยังสแสวงหาแบบนี้อยู่ว่างั้น <c oughs> นี่เพราะฉะนั้น เขาบอกว่าทานเนี่ยจึงมีผลน้อยกว่าศีลเหมือนงงนศีลเนี่ยมีผลมากกว่าเขาบอกว่าคำว่าศีลเนี่ยมีผลประเสริฐสุดนี่เขาบอกว่าเพราะว่าบุคคลจะได้ลาบได้ยศนะก็เพราะอาศัยศีลหรือว่าบุคคลจะเป็นที่รักที่พอใจของสัตว์ทั้งหลายก็เพราะอาศัยศีลการที่บุคคลจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ก็อาศัยศีลอีกนั่นแหละเนี่ยนะ แล้วก็ถ้าหากว่าผู้ที่รักษาศีลเนี่ยจะเป็นที่รักที่ชอบใจของคนทั้งหลายบริโภคปัจจัยศีของผู้ใดก็มีผลมากมีอา น, นิสงส์มากพัน้ารักษาศีลดีๆก็สามารถที่จะเรียกว่าอาสวัคยปริโยสาหนังสามารถทำที่สุดแห่งวัตถุทุกได้ก็เพราะอาศัยศีลหรือพรหมจรรย์นั่นเองเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจึงมีคุณอันสูงสุดเนี่ยนะพน ความที่ศีลมีความสําคัญมากเนี่ยนะในอากังเคยสูตรมัชชิมนิกาโมลปันนาตเนี่ยนะใ น, ในเล่ม17เนี่ยอันอธิบายพูดถึงว่าถ้ามีศีลดีเนี่ยนะตั้งความปรารถนาใดๆก็สําเร็จได้ว่างั้นแล้วท้าวสาก่าก็ตรัสต่อไปว่าบุคคลจะเข้าถึงความเป็นกรรษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างต่ําในการให้ทันนะว่าเป็นพรหมจรรย์อย่างต่ําและจะเข้าถึงความเป็นเทพด้วยพรหมจรรย์อย่างกลาง จากบริสุทธิ์ได้ด้วยพรหมจรรย์อย่างสูงแต่คําบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงพรหมนะแบบของเขาอ่ะแต่ของเราบริสุทธิ์ด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แเพราะผู้ไม่มีเรือนบําเพ็ญตบะทั้งหลายย่อมเข้าถึงกายเหล่าใดกายเหล่านั้นอันใครๆผู้บําเพ็ญเพียรด้วยการอ้อนวอนได้โดยง่ายไม่ได้นไก็คือพรหมโลกเนี่ยไม่ใช่สําเร็จได้ด้วยการอ้อนวอนใช่ไหมมันเท้าสกปบันเทาความสงสัยอย่างนี้แล้วก็ สรุปแล้วแต่ว่าทั้งทานทั้งศีลเนี่ยบัณฑิตแต่ปางก่อน เ, าเา้าทำ น, นั้นแหละเขาไม่เลือกว่าเป็นทานเป็นศีลอะไรดีกว่าใครเพราะว่าทานนั้นเป็นเหตุแห่งพหคสมบัติเหมือนั้นถึงพร้อมด้วยทรัพย์อาศัยทานเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงพร้อมด้วยทรัพย์แต่อาศัยศีลทำให้อะไรนะสมบัติคติสมบัตินะหรือภวะสมบัติสมบัติที่เป็นพบอาศัยศีลแต่ทรัพย์อาศัย ทานเ น, นเพราะฉะนั้นทานทั้งศีลนั้นก็มีความสำคัญทานจะมีผลมากเมียใ น, นสงฆ์มากก็อาศัยศีล น, นี่นะทีนี้พอตอบปัญหาเท้าพระเจ้าในมีเสร็จก็หายตัวจากเมืองมิธิลาไปปรากฏที่ดาวดึงไปฟังเทวดาเขากำลังคุยกันยกย่องคุณของพระเจ้านี้มิใหญ่เลยก็เลยบอกว่าอยากเห็นไหมเหมือนกันเพราะเพิ่งไปสนทนากันม า, านน ทีนี้เทวดาชั้นดาวดึงก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเนรทุก ข, ข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะเห็นพระเจ้านิมิราชว่างั้นดูก่อนอานอนท์สมัยในสมัยนั้นในวันอุโบสถที่15พระเจ้านิมิราชทรงสนานพระกายทั่วพระเศียนแล้วทรงรักษาอุโบสถเสด็จขึ้นปราสาทอันประเสริฐประทับนั่งชั้นบนครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพหายไปในหมู่เทวดาชั้นดาวดึง ไปปรากฏเฉพาะพระพักของพระเจ้านิมิราชเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู่ออกหรือพึงคู้แขนที่เหยียดเข้าฉะนั้นแล้วได้ตรัสว่าข้าแต่มหาราชเป็นลาบของพระ อ, องค์ข้าแต่มหาราชพระ อ, องค์ได้ดีแล้วเทวดาชั้นดาวดึงนั่งประชุมการสารเสริญอยู่ในธรรมสภาว่าดูก่อนท่านผู้เจริญเป็นลาบของชนชาววิเทหะเนอดูก่อนท่านผู้เจริญชนชาววิเทหะได้ดีแล้วหนอ ที่พระเจ้าเนมิราชผู้ทรงทำเป็นพระธรรมราชาเป็นพระมหาราชาผู้สถิตยอยู่ในธรรมทรงประพฤติ ธ, ธรรมในพราหม์ครหาบดีชาวนิคมและชาวชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่14ที่15และที่8แห่งปักข่าแต่มหาราชเทวราชั้นดาวเดืองปรารถนาจะเห็นพระองค์หม่อมชั้นจากทรงรถม้าอาชาในาเทียมม้าพันหนึ่งมาให้พระองค์เหมนกันเดี๋ยววันหลังจะสรงรถม้ามารับเหมือนกัน พระ อ, องค์นี้พึงขึ้นประทับทิพยานเถิดอย่าทรงหวั่นพระไทยเลยพระเจ้านิมิราชก็ทรงรับด้วยอาการนิ่งอยู่ครั้งนั้นเท้าสักะจอมเทพทรงทราบว่าพระเจ้านิมิราชทรงรับเชิญแล้วทรงหายไปในที่เฉพาะพระพักของพระเจ้านิมิราชมาปรากฏในเทวดาชั้นดาวเดืองเปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู้ออกหรือพึงคู้แขนที่เหยียดเข้าชนะดูก่อนอานอนท์ครั้งนั้นเท้าสักกะจอมเทพตรัส เรียกมาตรลีเทพพบุตรผู้รับใช้มาว่าดูก่อนเพื่อนมาตาลีมาเถิดท่านจงเทียมรถม้าอาชาในอันเทียมม้าพันหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิมิราชจงทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่มหาราชรถม้าอาชาในเทียมด้วยม้าพันหนึ่งนี้เท้าสากะจอมเทพทรงส่งมารับพระองค์เหมือนพระองค์นี้พึงเสด็จขึ้นประทับทิพยามเถิดอย่าทรงหวั่นพระไทยเลยมาตลีเทพสารถีผู้รับใชก็ทูลรับ นะตามรับสั่งของเท้าสักกะจอมเทพแล้วเทียมรถม้าอาชาในายเทียมด้วยม้าพันหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระเจ้านิมิราชแล้วทูลว่าข้าแต่มหาราชรถม้าอาชาในาอันเทียมแล้วด้วยม้าพันหนึ่งนี้เท้าสักกะจอมเทพทรงส่งมารับพระองค์เชิญเสด็จขึ้นประทับทิพยานเถิดอย่าทรงหวั่นพระไทยเลยว่งงางั้นอันหนึ่งคือระหว่างทางเนี่ยนะพอพระเจ้านมิราชขึ้นประทับบนรถเสร็จ นนะมาตาลีเทพสารธีก็เลยถามว่าคือระหว่างทางที่จะไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะว่าทางสาหรับสัตว์ผู้มีกรรมอัลลามกสเสวยผลของกรรมอัลลามกทางหนึ่งทางสำหรับสัตว์ผู้มีกรรมอันงามสเสวยผลแห่งกรรมอันงามเนี่ยทางหนึ่งข้าพระ อ, องค์จะเชิญเสด็จพระ อ, องค์ไปโดยทางไหนเหมนนคือจะไปไหนดีคือจะผ่านทางไหนดีว่าระวังไปดูนรกก่อนหรือว่าจะไปสวรรค์ก่อนเหมงอน พระเจ้านี้มิราตรัสว่าเราจะไปโดยทางทั้งสองนั่นแหละสรุปไปหมดเหมนกันมาตาลีก็บอกข้าพระองค์ไปทีเดียวพร้อมกันไม่ได้เนนให้เลือกทีละอย่างเอ า, เอ า, เอางั้นไปดูนรกก่อนแล้วค่อยสวรรค์แล้วค่อยนะค่อยไปถึงดาวดึงเหงนืนกันรายละเอียดนี้ใ น, ใ, นในมิราชชาดกเนี่ยภาลณนาข้อความตรงนี้ยาวมากเนี่ยนะว่าขอรัดตัดตอนไป มาทะเลเทพบุตรผู้รับใช้นำเสด็จพระเจ้าเนมิราชถึงสุธรรมมสภาทีนี้เท้าสักกะจอมเทพทอดพระเนตรเห็นพระเจ้าเนมิราชกำลังเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้ตรัสว่าข้าแต่มหาราชเชิญเสด็จมาเถิดข้าแต่มหาราชพระองค์เสด็จมาดีแล้วเทวดาชั้นดาวดึงประชุมสารเสริญอยู่ในธรรมสภาว่าดูก่อนท่านผู้เจริญ เป็นลาบของชนชาวิเทหะหนอชนชาวิเทหะได้ดีแล้วหนอที่พระเจ้าเนมิราชผู้ทรงธ ร, รมเป็นพระธรรมราชาเป็นพระมหาราชาผู้สถิตยอยู่ในธรรมทรงประพฤติ ธ, ธรรมในพรามหมณ์ครหบดีชาวนิคมและชนบทและทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่1 4ที่15และที่แแห่งปักฝังค่าแต่มหาราเทวดาชันดาวดึงปรารธนาจะพบเห็นพระองค์ขอเชิญพระองค์ จงอภิรมย์อยู่ในเทวดาทั้งหลายด้วยเทวานุภาพเธอ์เหมือนกันก็คือบอกว่าอยู่ที่นี่แหละเหมือนกันเทวดาชั้นดาวไปเดินชอบเหลือเกินเหมือนันนันอยู่นี่แหละแต่ว่าอยู่ด้วยบุญของเทวดานะคือพระอินทร์เนี่ยอิจฉาว่า ง, งั้นคือพอพอพระเจ้าเนมิราชขึ้นไปเนี่ยนะเทวดาไปห้อมล้อมหมดเลยพระอินทร์เนี่ยรู้สึกอิจฉาก็เลยเชิญให้อยู่เลยน ะ, ะเชิญให้อยู่แต่ว่าอยู่ด้วยบุญเทวดานะทีนี้พระเจ้าเนมิราชก็ประโยชน์อะไรที่จะอยู่ด้วยบุญของคนอื่นเนี่ยนะ องค์ก็เลยตัดห้ามว่าอย่าเลยพระองค์ผู้เนรทุกขอจงนำหม่อมฉันกลับไปยังเมืองมิถิลานในมอสโลกนั้นเถิดหม่อมชันจักได้ประพฤติรมอย่างนั้นในพราหมณ์ขาหาบดีชาวนิคมและชาวชนบทและจักได้รักษาอุโบสถทุกวันที่14ที่15และที่8แห่งปักว่างั้นตับไปทำบุญดีกว่ามาด้วยบุญของตัวว่างั้นเถอะก็ประทับอยู่ที่ดาวเดืงชั่วครู่หนึ่ง ครู่ของดาวดึงก็เท่ากับ7วันของเราถ้าอยู่เจวันดาวดึงก็700รปีของเราเนี่ยนะกลับมาอามีใครเหลือสักคนเลยนะแย่เลยลำดับนั้นท้าวสะกกาจอมเทพตรัสเรียกมาตาลีเทพพระบรุผู้รับใช้มาว่าดูก่อนเพื่อนมาตาลีท่านจงเทียมรถม้าอาชาในาอันเทียมด้วยม้าพันหนึ่ง น, นะแล้วก็นำพระเจ้านิมีราชกลับไปยังเมืองมิธิลในมนุษยโลกนั้นมาตลีเท พ, พบุตรผู้รับใช้ทูลรับ คำสั่งของเท้าสักกะจอมเทพแล้วเทียมรถม้าอาชาในอันเทียมด้วยม้าพันหนึ่งแล้วนำพระเจ้านิมิราชกลับไปยังเมืองมิธิลาในมนุสโลกนะดูก่อนอนุน์ได้ยินว่าในสมัยนั้นพระราชาผู้เป็นใหญ่ประพฤติ ธ, ธรรมในพรามครหบดีชาวนิคมและชาวชนบททรงรักษาอุโบสถทุกวันที่14ที่15และที่8ดแห่งปัก ครั้งนั้นโดยล่วงไปเป็นอันนะล่วงปีเป็นอันมากล่วงร้อยปีเป็นอันมากล่วงพันปีเป็นอันมากพระเจ้านิมิราชตรัสกับช่างกระบกว่าดูกอนเพื่อนกระระบกนะท่านเห็นผมงอกเกิดขึ้นที่ศีรษะของเราเมื่อใดพึงบอกแก่เราเมื่อนั้นก็คือตามสูตรนั่นเองงั้นตามสูตรก็คือพระราชทานบ้านสวยให้แกช่างกระบกเรียกลูกมาให้โอววาดนะยกบ้านยกเมืองให้คองออกบวชแล้วก็ เจริญชานานะเสร็จแล้วแต่ว่าคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายก็คือว่าก็บอกว่าเจ้าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเรานะพรนะราชาทุกโพอง่์ยจะสั่งไว้เลยอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายนะ mm hmm. เมื่อยุคแห่งบุรุษใดเป็นไปอยู่วัดอันงามเห็นปา น, นี้ขาดศูนย์ไปยุคแห่งบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งราชบัรปชิตคือกษัตริย์วงนี้ผม อ, กออกบวชเหนันเนี่ย มันจะต้องออกบวชฮะถ้าเจ้าไม่บวชเจ้าเป็นคนสุดท้ายนะเจ้าอยาเป็นคนสุดท้ายเลยว่างั้นดูก่อนพ่อกุมารเจ้าจะพึงประพฤติตามวัดอันงามที่เราตั้งไว้แล้วนี้ได้ด้วยประการใดเรากล่าวอย่างนี้กับเจ้าด้วยประการนั้นเจ้าอย่าได้เป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยดูก่อนอนอนท์ครั้งนั้นพระเจ้านิมีราชนั้นพระราชทานบ้านสวยแกช่างตะลบบกทรงพร่ำสอนราชกุมารผู้เป็นพระราชบุตรเนี่ยนะ แล้วก็ออกบวชบวชแล้วก็เจริญพรหมวิหารเมื่อเจริญพรหมวิหารก็พอสวรรคตก็เสด็จเข้าถึงพรหมโลกว่า ง, งั <c> ้น <oughs> ดูก่อน อ, น, อนุนพระเจ้านิมิราชมีพระราชบุตรว่านะมีพระราชบุตรพระนามว่ากัลาระชนกะว่า ง, งั้นกาลาระนี่แปลว่า ด, ดําก็คือ ด, ดําำแดงๆเนี่ยนะเป็นหย่อมๆในร่างกายทีนี้พระราชกุมารนั้นไม่ได้เสด็จออก จากพระราชชีวิตผนวดเป็นบนรรพชิตเครื่องไม่สั่งเสียกระบอบอกว่าผมงอกบอกด้วยนะไม่ไม่ตัง่งละไม่บวชไม่อะไรสักอย่างเหมอกันเท้าเธอนั้นตัดกาลยานวัตนนั้นเสียเชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งราชบรรพชิตนั้นดูก่อนอ น, นุเธอพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าสมัยนั้นพระเจ้ามคธเทวะซึ่งทรงตั้งกาลยานวัตนนั้นเป็นผู้อื่นแน่แต่ข้อนั้นเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น สมัยนั้นเราเป็นพระเจ้ามรรคเทวะเราตั้งกาลยานวัตนนั้นไว้ประชุมชนผู้เกิดณภายหลังประพฤติตามกาลยานวัตที่เราตั้งไว้แล้วนั้นแต่กาลยานวัตนนั้นไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย น, น, นะนะไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพิทาใช่ไหมไม่เป็นไปเพื่อวิราคะคือคลายกำหนัดไม่เป็นไปเพื่อนิโรธะคือไม่เป็นไปเพื่อความดับ นะแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความสงบระงับไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเห็นนะไม่เป็นไปเพื่อความตรัสรู้ไม่เป็นไปเพื่อนิพานเป็นไปเพียงเพื่ออุบัติในพรหมโลกเท่านั้นนะวัดที่ตั้งไว้นั้นเนี่ยที่สุดของวัดนั้นก็คือพรหมโลกส่วนกัลยาณวัฒนที่เราตั้งไวนะ้นบัดนี้คือสมัยที่เป็นพระพุทธเจ้านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเบืน่าย เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับสนิทเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวก็กัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้ณบัดนี้ซึ่งเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานโดยส่วนเดียวนั้นเป็นไนคืออะไรนะ วัดที่ที่ที่เป็นไปเพื่อนิพานโดยส่วนเดียวเป็นต้นเนี่ยวัดอันนี้คือค อ, อะไรดิพอ น, นึกออกไหมอย่าลืมนะว่าคําสอนพระพุทธเจ้าไม่พ้นอริยสัจสีแน่นะอทุกขสัจเป็นวัดได้ไหมได้ไหมทุกขสัจตั้งเป็นวัดได้ไหมไม่ได้นะแก่อยู่แล้วเนี่ยเกิดอยู่แล้วแก่อยู่แล้วไม่ต้องตั้งเป็นวัดหรอกสมุทยัยสัจตั้หามาตั้งเป็นวัดได้ไหมนิพานมาตั้งเป็นวัดปฏิบัติได้ไหมไม่ได้อะไรดิ อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปเนี่ยนะลอไล่สูตรก่อนนะไม่เป็นไรพอได้แล้วนะคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8อันเป็นอริยะนี่แหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่นะกัลยาณวัฒนที่เราตั้งไวนะ้ณบัดนี้แหล ย่อมเป็นไปเพื่อความเบือหน่ายนี่แหละเขาเรียกว่าประชุมมารยาสัต์นั น, นะประชุมแบบนี้แหละใช่ไหมพอกล่าวอริยมรรคอย่างเดียวเนี่ยอริยสัตว์ที่เหลือก็เท่ากับแสดงแล้วเพราะว่าสัมมาทิฏฐิรู้อะไรสัมมาทิฏฐิโลกุตตรารู้ว่านี้ทุกนี้ทุกสมุทยัยนี้ทุกนิโรดนี้ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเนไะเคยได้ยินนะว่าสัมมาทิฏฐิเป็นชนะไหน น, น, นะนะอ่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะความรู้ความเห็นที่ถูกต้องนั้นนะเป็นชไนก็คือความรู้ที่ว่านี้ทุกนี้ทุกขส ม, มุทยัยนี้ทุกขณิโรตนี้ทุกขณิโรธคา ม, มินีปฏิปทานนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิว่า ง, งั้นเลยเพราะฉะนั้นวัดทั้งหมดเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับสนิทเพื่อสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียวดูก่อนอานอนุ์ เธอทั้งหลายจะพึงประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ได้ด้วยประการใดเรากล่าวอย่างนี้กับเธอทั้งหลายด้วยประการนั้นเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยนะนะสั่งเสียมาถึงเราด้วยนะบอกอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายของเราเลยว่า ง, งาั้นเมื่อยุคแห่งบุรุษใดเป็นไปอยู่กัลยาณวัตรเห็นป่านี้ขาดศูนย์ไปยุคแห่งบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้าย ของบรุษเหล่านั้นนี่จะมาถึงท้ายที่เราหรือเปล่านะเนาะเธอทั้งหลายจะเพึงประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ได้ด้วยประการใดเรากล่าวอย่างนี้กบเธอทั้งหลายด้วยประการนั้นเธอทั้งหลายอย่าได้ชื่อว่าเป็นคนสุดท้ายของเราเลยนะคือคนสุดท้ายคือคนที่ไม่ได้นะไม่ใช่คนได้นะคนที่ไม่ได้นะ่เลาเรียกว่าคนสุดท้าย เนี่ยรัชาท่านอธิบายดีว่าคำว่าคนสุดท้ายนี่คือก็บอกว่าในคำว่าสมุดเฉทโธโหตินี้เพิ่งทราบวิภาคดังนี้ใครตัดกาลยานวัตนะกาลยานวัตขาดศูนย์ไปเพราะอะไรใครให้เป็นไปย่อมชื่อว่าอันใครให้เป็นไปแล้วเนี่ยนะคำถามเขาก็คือเขาว่าภิกษุผู้มีศีลไม่กระทำความเพียนด้วยคิดว่าเราไม่อาจ ได้พระอรหันต์ชื่อว่าย่อมตัดคือมีศีลดีแล้วนะนะปฏิบัติตามธรรมตา ม, ามวินัยหมดเลยแต่ไม่ได้ตั้งความเพียรเพื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์คนนี่แหละคือคนที่ตัดตัดวัดอันประเสริฐเนี่ยนะก็บอกว่าส่วนปุตุชนเนี่ยเป็นคนตัดวัดอย่างเดียวอ่างนั้นเถอะไม่ใช่คนมีกิเลสเนี่ยนะกาลยาณวัดย่อมชื่อว่าผู้ทูศีนตัดแล้วอันนะตัดกระยอตัดแล้วเนี่ยอีกคนละอย่างนะ ก็คือไม่ทําอรหัตมรักให้เกิดเนี่ยชื่อว่าตัดวัดแต่ถ้าคนไม่มีศีลเนี่ยตัดตั้งนานแล้วพระเสขบุคคลทั้งหลายย่อมให้เป็นไปคือยังวัดคืออริยมรักอันประกอบด้วยองค์8ดให้เป็นไปนะย่อมชื่อว่าอันพระขีนาศบให้เป็นไปแล้วนะพระอรหันเนี่ยเป็นคนที่ยังวัดอันนี้วัดคืออริยมรักอันประกอบด้วยองค์8ดนี้ให้เป็นไปแล้วแต่พุทธพจน์บอกว่าอย่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายเลยนะ นะ น, นู่นะ <laughs> ยังอยู่ถึงทุกวันเนี่ยนะน <laughs> ั่นเพราะะ <laughs> วัดเหล่านี้เนี่ยนะในอดีตชาติพระองค์ก็ได้ทรงตั้งไว้นะจึงเป็นแบบแผนเป็นวงแต่ว่าวงเหล่านั้นก็คือวงของการเจริญพรหมิหารสี่เพื่อเข้าถึงพรหมโลกเนี่ยนะแต่ของเรานี้เป็นวงเพื่อเข้าถึงพระนิพพานว่างั้นนะคือวงที่พระองค์ทรงตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวงที่ตั้งเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะแต่วงครั้งที่แล้วก็เพื่อเข้าถึงพรหมโลกเท่านั้นเองแต่ครั้งนี้ตั้งวงเพื่อนะเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะคือถ้าหากว่าเราใช้ในอริยสัจเนี่ยนะถ้าเน้นตัวใดตัวหนึ่งไม่เห็นภาพรวมกว็ลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรที่จะมีความเข้าใจเรื่องทุกเนี่ยนะสำคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของทุกขริยสัจ ถ้าหากว่าเราไม่เห็นทุกเห็นโทษของทุกขาริยสัตว์คือชาติปีทุกขาชาลาปีทุกขามรณะปีตุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตและอุปาญาตเนี่ยนะถ้าไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นทุกสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นทุกหมายถึงหมายถึงอะไรนะชาติชราพยาทีมรณะเนี่ยได้แก่อะไรกันแน่อะไรคือตัวทุกเหมือนั้นโดยย่อสรุปได้ไหมนะอุปาทานขันห้ามาสังคิเตนะปัญจุปาทานขันฑาทุกขา มันอุปาทานขันขันห้านั่นแหละเป็นตัวทุกอว่างั่นแหะอุปาทานขันห้าเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นปัจจัยมีอะไรเป็นอนิธานมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นต้นเขาต้นเขาของอุปาทานขันห้าเนี่ยนะเมื่อเช้าพวกการการลองเล่าให้ฟังเป็นยังไงต้นเหตุต้นเขาของอุปาทานขันห้าเป็นยังไงจานท์เจลิภาก็แต่งเป็นกรอนหน้าเนื่มื่อเช้าเนี่ยเอามาด้วยหรือเปล่าเป็นตาม ไม่ไดีเอามาแล้วก็แต่งเป็นข้าก็มีตันหานั่นแหละเป็นต้นเขาใหญ่ตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักที่พอใจในโลกตัญหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่นั่นแหละตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่ตาสีเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่สีอา้าวถ้าบุคคลจะละตันหาละได้ที่ไหน อนนะบอกนิพานก็คือความสำรอกตัณหาเมื่อบุคคลจะละตัณหาละได้ที่ไหนที่ใดเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกเมื่อจะละตัณหาก็ละที่นั่นแหละตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกเมื่อจะละตัณหาก็ละที่ตาได้ใช้คำว่าละนะละมีเท่าไหร่แปลเป็นบาลีคือนั่นห้านะละห้าอย่างนะหนึ่งแต่ทางฆ่าประหารสองวิขำพะน่าประหารสาม สมุดเชะถ้าประหารสี่ปฏิปัสสัที่ประหารแล้วก็ห้านิสรณะประหารคือพระนิพพานอันก็ต้องละด้วยประหารทั้งห้า น, นะข้อปฏิบัติเพื่อละคืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดสัมมาทิฏฐิเป็นต้นนั่นแหละนะมันสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระ อ, องค์ทรงบัญญัติอริยสัจลงในกายาวานี่แหละที่มีสัญญาและมีใจคอ้องเนี่ยนะัน พระไม่ได้ประชุมอริยสัจลงที่ท่อนไม้ใบหญ้าว่าไงมันพระองค์ประชุมลงที่กายอันนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะค้นหาอริยสัจก็ค้นหาในกายนี้นี่แหละเห็นมเพราะนั้นแต่จะปัญจกะกรรมฐานเป็นต้นนี้เป็นกรรมฐานที่พระองค์ทร ง, สงแสดงหลายแห่งมากเลยนะกายคตาสติที่ภิกษุใด้เสพแล้วก็ชื่อว่าเสพอมตะธรรมแล้วเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะปรารถนี่นะว่าทําอย่างไรที่จะเห็นอริยสัจได้เนี่ยนะหรือเอาเรื่องอริยสัจมาคิดเยอะๆหน่อย ถ้าเอาอาริยสัจมาคิดได้มากสแสดงว่าเราคิดถึงคําสอนของพระผู้มีพระภาคที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็การคิดเรื่องอริยสัจมากๆเนี่ยนะเป็นอาทีพรหมจรรย์นะเอาอาริยสัจมาตรึกมาคิดเนี่ยนะจะคิดก็ได้จะตรึกก็ได้พิจารณาก็ได้ขอให้เรื่องอริยสัจเถอะอันนี้เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์เนี่ยนะเพราะว่ า, า, าวเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย <S <S เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดเป <pounds S 3> ็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความ ตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพานได้นะขอให้เอาเรื่องอารยศักด์มาตรึกให้มากๆถ้าหากว่าเราคิดเรื่องอริยศักด์น้อยนะเราจะรู้พระพุทธเจ้าน้อยด้วยนะเราจะไม่เข้าใจพุทธคุณด้วยว่าพระพุทธคุณนี่คือสัมมาสัมพุทธะเนี่ยสัพพุทธะแปลว่าแทงตลอดอริยศักด์แทงตลอดอริยศักด์โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองทีนี้คําสอนของพระองค์เนี่ยอนุวัตตามอริยศักด์เลย อันแม้แต่สูตรนี้เล่าเรื่องัในสมัยน้มไหนมากไม่รู้แต่ก็มาสรุปเรื่องลงที่อริยสัจเนี่ยนะสรุปลงที่อริยสัจเพราะนั้นความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงของหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายก็เพราะท่านเหล่านั้นปฏิบัติแล้วแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะเพราะฉนั้นคําสอนใดที่เป็นไปเพื่อรู้แจ้งอริยสัจคําสอนนั้นเรียกว่าธรรมคุณผู้ที่ปฏิบัติแทงตลอดอริยสัจเรียกว่าสังฆคุณเนี่ยนะ น, นี่ประชุมลงอริยสัจหน่อยนะลงไตาสารนคมนะของท่านประชุมลงอริยสัจของเราประชุมลงไตรสารนคมเอาปุ่งนิชาอปุ่งนี้นะครับคือพูดถึงเรื่องอริยสัจที่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่คุยกันมาเช้านี้นะครับที่ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเราตัณหาเกิดหรือโลภะเกิดที่เสียงหมายความว่าเราได้สร้างเหตุให้เกิดหูขึ้นแล้วตรงนี้น่าน่าคิดแล้วแล้วเกิดยังไงนะครับ ถ้าหากว่าเราเกิดไปชอบใจในในรถนะครับนั่นหมายความว่าเราสร้างเหตุให้เกิดชิวหาแล้วเอาถ้าเราชอบรถก็แสดงว่าชอบลิ้นใช่ไหมแล้วว่าลิ้นอะ่ะจะต้องเกิดแน่ๆอยู่แล้วในอนาคตถ้าชอบรถนี่แสดงว่ายังมีลิ้นอีก น, นานอันนี้น่าสนใจว่าเออเป็นไปมายังไงในว้ยวัยปุ่งนี้ท่านอาจารย์จะมาเสเก็บไว้ปุ่งนี้